สำหรับวันนี้เขาเรียกว่าระบบไฟขาดข้องกำลังแก้ไขยอยู่ก็ <î. S 1> ใช้เทมโ ป, ป ร, รี่ไปตัวนี้ก่อนก <c oughs> ็ในเบื้องต้นนี้เราคงจะได้เกินนำไปก่อนก่อนที่จะแยกไปเป็นกลุ่มผู้ใหม่ผู้มีประสบการณ์ Uh huh. วันนี้อยากจะทราบกลุ่มของผู้มาใหม่สักอีกทีหนึ่งได้ไหมยกมือได้สำหรับผู้มาใหม่เยอะเลยเนาะเอาลงผู้ที่มาฟังเมื่อวานยกมือขึ้นโอเคเยอะมือกันก็ในส่วนที่เกินนำก็คือในวันนี้เรามีเวลาอยู่ครึ่งวันนะเพราะฉะนั้นในช่วงตนนี้ก็จะ หลังจากที่เกลื่ น, นํำแล้วก็จะแยกไปเพราะว่าจะได้ต่อเรื่องสำหรับผู้ผู้ที่มาก่อนนั้นก็ต่อเรื่องต่อไปเลยสําัพสำหรับผู้ที่เริ่มต้นมาใหม่วันนี้ก็จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่แยกสถานที่ไปอันนี้เพื่อการศึกษาตามลาดับจะได้ชัดเจนแล้วก็ในช่วง ของการฟังก็อยากจะให้ปิดโดยสัเนะกุ้งกลิ้งมาแล้วรู้สึกเออเพืพ่อนเสียสมาธิได้แล้วเยวาวชนหลายค น, นวันนี้พวกเด็กๆเรามีหลายคนไหมเห็นมีหลายคนแล้วนะนะประ่อวานจัดกลุ่มเด็กด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับใน เ, ออเรื่องที่เราสรุปกันมาในช่วงที่มากลับมาเท่านี้สี่ห้าเดือน กรมาที่นี่3 4ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในวิธีการพูดเทียนที่ เ, เริ่มต้นด้วยอารมณ์ตามลำดับนะลำดับวิธีการพูดเทียนเดี๋ยวก็จะมีประยุกต์และขยายความไปตามภาษาสมมุติบ้างแดีวก็อยู่ใน <c oughs> ในประเด็นของการเคลื่อนไหวว่าที่ผู้ที่มาทางนี้ต้องการมาศึกษาหลักของการเคลื่อนไหวนะที่ไม่หลับตา แต่ถ้าผู้ที่มาเพื่อจะนั่งนิ่งหลับตาคงจะไม่มางานนี้ว่างั้นเถอะเพราะว่าที่นี้จะมาศึกษาเรื่องการลืมตาเพราะเนื่องจากเราหลับตามาหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันแล้วก็จะมาลืมตาอยู่สักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีนะเพราะการหลับไหลมันก็ทำให้เราต้องเผชิญต่อความทุกข์ทั้งรูปทั้งนามมาตลอด แต่ว่าการจะลืมตาได้ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะเราหลับตามานานแต่ก็พยายามนะพยายามเพราะในวิธีการของขรเทียนนั้นท่านจะเน้นแต่แรกเลยว่าให้เปิดอินทรีย์ทุกส่วนตาก็ให้เปิดหูให้เปิดจมูกลิ้นกายใจให้เปิดเปิดเพื่อรับแสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งมาได้กล่าวเปรียบเทียบเสมอว่าการปิด อวอัยวะหรืออายตนะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ปิดโอกาสให้แสงสว่างของปัญญามันเข้าเข้าทั้ง6ทางเข้าทางตาปัญญาเข้าทางตาก็มีปัญญาเข้าทางหูปัญญาเข้าทางจมูกปัญญาเข้าทางลิ้นปัญญาเข้าทางกายปัญญาเข้าทางใจน้ำมานมันกจะเปรดเหมือนหลอดอย่างสมมุติหลอดนิออนเนี่ยมันยาวอ่าเราก็สมมติว่าเอาแถบดำอะไรมาปิดสัก หกส่วนมาปิดสักหส่วนแล้วก็เปิดทีละส่วนละส่วนแล้ก็เปิดไฟแล้วไฟก็จะสว่างออกไปทีลส่วนถ้าเปิดสติ๊กเกอร์ดําบอกทั้งหมดไฟก็จะสว่างเต็มดวงทีนี้พอเราปิดเข้าไปทีละส่วนละส่วนไฟก็จะมืดไปทีละส่วนละส่วนจนมืดสนิทในยตนะทั้งหเหมือนกันก็เหมือนเราปิดส่วนได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็มักจะไปติดคําพูดที่ว่า ปิดหูซ้ายขวาปิดปิดปากปิดตาสองปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วเราจะนั่งสบายทีเราก็จะไปปิดจริงๆเ่ะเด้อปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างอันนี้เป็นคํากล่าวของหลวงพ่อเทพปุตสิทธุมุนีสมัยนั้นก็จะมาเรียนที่วัดมหาธาตุกับท่านเรื่องหนอเนี่ยท่านก็จะพูดเรื่องนี้ประจํา ถ้าจะให้สบายปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วจะนั่งนอนสบายอืมเพราะฉะนั้นในความหมายคาว่าปิดของท่านเนี่ยไม่ไม่ได้ห ม, มายถึงปิดทางรูปนะแต่ปิดทางนามคือใช้สตนะิในการสํารวมตาหูาจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะท่านก็จะทําเป็นคําสั้นๆให้จําง่ายแต่คนปัจจุบันนี่หนักเขาอีกเอาไปปั้นเป็นรูปนะรูปลิงปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดปากก็เห็นโดยทั่วไป ซึ่งจะออกมาเป็นรูปรธรรมซึ่งก็ในจุดนี้ที่เราจะต้องม า, าสมัยหลงวงพ่อเทียนท่านมีชีวิตอยู่ที่ตอนนั้นท่านจะมีษายอยู่ที่ขอนแก่นที่วัดโมขอนแก่นเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งต่อมาเป็นลูกศิษย์ของท่านนะเป็นลูศิษย์ของธรรมะอีกสายหนึ่งเนี่ยได้ทราบว่าท่านเป็นพระวิปัสสนา ก็อยากจะเอาพระเครื่องมาให้ท่านดูว่าพระที่ปฏิบัติเคร่งขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะต้องดูออกว่าพระนี่เป็นอย่างไรแล้วก็โยมคนนี้ก็ปฏิบัติแบบหลับตามาหลายปีก็มาหาหลงพ่อเทียนมาสนทนารรม็ถามว่าได้ข่าวหลวงพ่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ใช่ไหมใช่หลวงพ่ อ, อเรียกว่าชนานาญในเรื่องวิปัสสนาก็พอสอนได้ยม แต่ผมก็ปฏิบัติมาแบบหลับตาดูลมหายใจมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยล้วเป็นยังไงโยมนั่งปฏิบัติหลับตาแล้วสบายดีไหมก็สบายครับหลวงพ่อมันสงบลึกเข้าฌานเข้าอะไรได้หลวงพ่อก็สังเกตเห็นโยมแขวนผ้าเต็มคอเลยนะ แล้วหลับตามาดียังไงโยมโก็ดีมากเลยพนาไปแล้วได้ข่าวว่าหลวงพ่อสอนลืมตาเนี่ยซึ่งเขาทั่วไปเขาไม่สอนกันเรื่องลืมตาหลวงพ่อสอนลืมตาเนี่ยมันทวนกระแสมันคงไม่ใช่มั้งหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเอ๊ะหลับตามาดีไงโยมอ่าก็ลองนั่งหลับเลยโยมเคยปฏิบัติแบบวิธีไหนมาขอนั่งให้ดูเอ้าหลวงพ่อบอกก่อนที่จะคุณจะนั่งหลับตาปฏิบัติวิธีการของคุณสักห้านาทีเนี่ย ขอเอาของที่มีค่าในตัวทุกอย่างในคุณออกก่อนได้ไหมได้เขาก็เอาผ้าเครื่องสร้อยแหวนคอเลดกระเป๋าอะไรอีกจักมากองไว้ข้างหน้าคุณนั่งหลับตาแล้วก็ตามคุณทเที่ยงแม่ครับขวาับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดํารงสติหมั่นกำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าพุทธออกแล้วก็ว่าวไปทีนี้พอนั่งไปสักพักนึง พ่อบอกอ่ะพอแล้วลืมตาลืมตาขึ้นพ่อบอของกองขา้างหน้าคุณหายไปไหนเงอนเอไม่รู้กันนะพอ่อนั่งของไม่รู้มันจะดีหรือหลับตาอ๋อคุณลองมาทําแบบหลวงพ่อบ้างนะหลวงพ่อกระาที่สร้างจั่งยวแบบเราทำํำ <c oughs> นี่แหละนนั่งลืมตานะลืมตาสร้างจั่งยวไปจนเป็นแหละ ในช่วงที่ยมลืมตานั่งสังเกตว่าท่านก็ค่อยเอามือย้ายของที่ย้ายเพื่อข้างหลังกันนะย้ายข้างหน้าข้างหลังที่ยมไม่เห็นมันก็ย้ายมาข้างหน้านำมากรองไว้ท่านก็ถามอีกว่าตอนนี้คุณรู้หรือยังว่าของมันหายไปไหนรู้ครับมันมาจากไหนมาจาข้างหลังมันไปได้ยังไงหลวงพ่อเอาไปหลวงพ่อย้ายไปว่างั้นอ๋อนั่นระหว่างหลับตากับลืมตาไหนมันดีกว่าอันหนึ่งมันของหายรู้อั น, นของหายไม่รู้เนี่ยโอ้อยม พูดไม่ได้เลยเพราะงั้นหลังจากนั้นก็ได้ค <c oughs> ุยกันเพราะก็โยมคนนี้ต่อมาปฏิบัติแบบหลวงพ่อเราก็ทิ้งพระเครื่องหมดเลยนะพระเครื่องก็ลืหมดหลุดไปหลุดไปห ล, ลุดไปซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อที่จริงที่หลวงพ่อจะบอกง่ายๆซื่อๆพิสูจน์เห็นชัดๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะ <c oughs> น, นี่อย่า ง, งก็อันนี้เหตุผล ว, ว่าทําไมต้องหลับตาลืมตาเรื่องต่อมาอยากจะนําเสนออีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมีคนหนุ่มสาวคนหลายเพศหลายไวัยไปเข้ารักษาศีลปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าที่วันหนึ่งพุทธเจ้าก็ถามว่าก <c oughs> ารที่พวกเธอม า, าปฏิบัติธรรมรักษาศีลกันเนี่ยเธอปรารถนาอะไรถามทีละคนละคนลงไปบางคนบปรารถนาอยากแะ่ได้ลุกเรื่องลืมตากรหลับตาเรื่องที่สอง เรื่องพวกเราทั้งหลายจะเป็นเทวดาอินพุ่มที่เป็นสมาธิที่เรื่องที่สาขอเสนออีกเรื่องนึงก่อนที่เราแยกย้ายกันเรื่องที่สการปฏิบัติในเบื้องต้นเนี่ยในวิธีการของพรเทียนน่ยถ้าสมมุติว่าต้นไม้มันมีเปลือกมีกระพีแล้วก็มีแก่นเนี่ยเปลือกนอกที่สุดของต้นไม้มันจะหยาบมันจะแข็งมันจะ ป้องกันอะไรบางอย่างได้ทีนี้ผมบอกว่าเบื้องต้นนี่ต้องเอาเปลือกออกให้ได้การที่เราจะเอาต้นไม้ต้นนั้นมาทําบ้านทําเรือนเนี่ยเอาเปลือกเพราะนั้นผู้ปฏิบัติที่เปลือกที่แข็งที่สุดคือความยึดติดและความเคยชินเบื้องต้นเนี่ยความเคยชินที่เป็นอกุศลเช่นการติดเสพติดเหล้ายาบุหรี่น้ําชากาแฟในกาแฟนี่คงห้ามกันไม่ได้เนาะแม่พระก็ยังติดกาแฟ ก็คงจะต้องพยายามมั่งกรเถิดแต่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาภูมิธรรมให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้หลวงพ่ออยากจะท่านี้ให้เลิกให้ลดละเลิกไม่ใช่ถ้าเลิกนาทีคงเป็นไปนไม่ได้คนติดเหล้าติดยาติดบุหรี่ติดหวยติดการพนันติดสิ่งเสพติดทั้งหลายทุกชนิดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องให้ลดสิ่งเหล่านี้ลงแล้วการปฏิบัติลดสิ่งเหล่านี้ลงโดยการใช้อะไร ใช้ศีลใช่ไหมการมีศีลแบบสมมุติก็คือลดสิ่งเหล่านี้ลงสิ่งที่มันติดยึดทั้งหลายเพราะศีลนั้นเป็นตัวกําจัดสิ่งหยาบๆออกไปทีนี้พอสิ่งเหล่านี้ลดลงไปแล้วอันที่สองสมาธิไปกําจัดกิเลสอย่างกลางก็คือคือยังติดในเรื่องเสพติดภายในเช่นติดยศติดศัซ์ติดริดติดเดชผิดเครื่องรางของกลางติดความศักดิ์สิทธิ์ติดครูบาอาจารย์ ันนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสเหมือนกันเป็นกิเลสอย่างกลางก็ถือเป็นการยึดติดอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็จะยากขึ้นเช่นเคยนับถือครั้งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องราวต่างๆวัตถุในจิตมันก็จะไปยึดก็อันนี้เป็นกับพีท่านบอกให้ลดละเลิกลงไปเพราะว่าถ้าหากว่าติดสิ่งเหล่านี้อยู่โดยเฉพาะวิธีการหลับตาเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องเหล่านี้เยอะทั้งที่มาเคยเป็นมาเรื่องนิมิตเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็น อ, อินเห็นผมเห็นโย ม, มาราดเห็นอะไรไปทั่วไปหมดพอเราหลับตาแต่พอลืมตา ม, มันก็หายไปสิ่งเหล่านี้ก็พยายามที่จะละในส่วนนี้ด้วยนะแล้วเราถึงจะไปสู่แก่นได้ทีนี่วันนี้ก่อนที่ไปสู่แก่นก็มาแยกกลุ่มกันก่อนเนะเาะรู้สึกว่ากลุ่มผู้ใหม่เนี่ยจะเยอะกว่ามาอยากจะให้ที่นี่เนียยังสำรวจด้วยละกลุ่มผู้ใหม่เยอะกว่าเพราะนั้น อีกที่หนึ่งที่เราจะไปกลุ่มที่ฟังเมื่อวานเนี่ยก็จะไปอีกห้องหนึ่งใช่ไหมที่ใช้หาได้เนี้ อ, อยากจะสำรวจเยาวชนนะเด็กเล็กของเราใครพามาั่งยกมือขึ้นพ่อแม่ผู้เป็นพ่อแม่ที่พามามีเยอะไหมหนึ่ 1, 2, งสองสาอหนูน้อยยกมือเขาด้วยตัวเล็กๆ เ, เด็กๆแดง ก, ด ก, ดกนันเนาะคงจะไป อ, อีกชุดหนึ่งให้ผู้ที <c oughs> ่กลุ่มที่จะ ไปจัวจะเป็นกลุ่มที่ฟังมังมวานไปอีกที่หนึ่งนะกลุ่มใหม่อยากจะไว้ที่นี่เพราะเยอะกว่าแล้วสำหรับกลุ่มเยาวชนก <c oughs> ็จะไปที่ข้างนอก้างนอกอวันนี้พระอาจารย์อันจะดูแลเด็กกลุ่มเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วท่านมงคลก็จะพากลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์วิธีการนี้แล้วมาไปที่ห้องข้างบนนะ <c oughs> ข้างไหนหน้าพระเนี่ย จากนั้นจะด้วยเยาวชนท่หนึน่เด็กจะเอาเด็กกับกลุ่มผู้เม่อันนี้กลุ่มผู้มีประสบการณ์แล้วนะก็คนจะไปอีกที่หนึ่งหางกลุ่มเยาวชนไปที่ดังหาเอา้าว้่งั้นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติมาโดยวิธีนี้ได้เรียบร้อยแล้วลุกขึ้นแล้วก็ไปตามพระจันทร์มงคลแต่คนคนใหม่ที่มาวันนี้อยู่กับหลวงพ่อที่นี่ แล้วก็เยาวชนของเรากับผู้ปกครองผู้ปกครองไปกับพระอาจารย์อันที่สนามหญ้าข้างบนนระดัชั้นสอง น, นี่นะสำหรับผู้ใหม่ทั้งหมดอยู่ที่นี่นะแล้วหลวงพ่อจะสาธิตอะไรละเอียดหน่อยนึงเพราะว่าสําหรับผู้ใหม่จริงๆนั้นจะแล้วก็สลับกันนะเพราะผู้ช่วงที่สองพราเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะแล้จะสลับกันนะชั่วโมงเดียว สลับมาประมาณสี่โมงเราจะกลับมาที่นี่นะเพราะว่าปรับฐานเฉยไปเพียงชั่วโมงเดียว <c oughs> เพราะนั้นผู้ใหม่ขยับขึ้นมาข้างหน้าอีกผู้ใหม่ขยับขึ้นมาเพราะว่าเราจะเข้าสู่สาระกันแล้วนะเมื่อกี้ที่เกินนํำนะสองสมเรื่องไปเกินนำํำไป้ิมผู้ประสบการ <c oughs> แล้วผู้ผู้เก่าที่ไปเนะี่ยเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงก็กลับมา à, สำหรับผู้ใหมจ่จริงๆก็อยากจะนำเข้าสู่วิธีการโคเทียนซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหม่ต้องต้องเรียนรู้เบื้องต้นใครจะผ่านมาจากวิธีใดก็ตามนะจะพุโทโธสมราหังยุบนนอะองนาะ อนาปนสติหรือบริกรรมโดยวิธีใดก็ตามวันนี้ขอให้วางไว้ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่วางไว้ก็เหมือนเราเอาแก้วกาแฟมาทีนี้หลวงพ่อจะเอาอะไรน้ำจุ้ยเนาะออรินจุ้ยน้ำส้มให้ทานวันนี้ถ้าจะปนเทน้ำส้มปนกาแฟนี่คงไม่เป็นรถเป็นชาตนะเนาะก็ กาแฟไว้ก่อนจะเอาน้ำส้มใสวันนี้ น, ะน้ำส้มคั้นอร่อยนะเบื้องต้นนี้อยากจะถามก่อนว่าชีวิตถือว่าหนึ่งเลยใช่ไหมเราเรียกว่าชีวิตชีวิตเมื่อแยกไปประกอบด้วยอะไรชีวิตประกอบด้วยกายกับใจกายกับใจถ้าเป็นภาษาก ร, รมฐาานเรียกว่า รูปกับนาำนะอันนี้อันนี้ต้องเรียนเบื้องต้นก่อนนะเพราะวิธีการวรียนจะเริ่มต้นในวิธีการรูปน้ำชีวิตคือไลฟ์เนี่ยออกมาเป็นรูปกับน้ำหรือกายกับใจทีนี้กายกับใจหรือรูปกับน้ำเนี่ยในส่วนไหนประกอบด้วยอะไรกายประกอบด้วยท่ายี่สี่คือดีมนม้ําลมไฟใช่ไหมทีนี้ใจประกอบด้วยอะไร ดินน้ำลมไฟใจก็ประกบรอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่เหมือนกันนะรูปคือขันห้านั่นแหละแต่ความจริงแล้วใจก็คือประกบรอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารแต่รูปแบ่งเป็นสองอย่างคือรูปในส่วนที่เป็นรูปที่เป็นธาตุและรูปที่เป็นขันคํานี้ใหม่นะรูปว่าขันกับรูปวาธาตุต่างกันยังไงเอาหลวงพ่อยกให้ดู ระว่างไม้กับมือหลวงพ่อเนี่ยอันนี้เป็นรูปล้วนๆใช่ไหมไม่มีจีวิญญาณแต่มือหลวงพ่อนี่เป็นรูปแล้วก็มีอะไรด้วยมีน้ำอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นทั้งรูปทั้งน้ำในตัวเขาเรียกว่ารูปประคันไงถ้าหากว่าไม่มีแต่ตัวไม่มีนามอยู่เลยเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเป็นธาต เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟในนี้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟเหมือนกันนะแต่มีสัด ส, ส่วนน้อยฉังนั้นเองในส่วนทางรูปเนี่ยลูกกับนามอันไหนบักอันนั้นหนักอันไหนเบาลูกกับนามอันไหนหนักอันไหนเบาเคยรู้ไหมเนี่ยเวลาคนตายมั้เนี่ยระหว่างคนเป็นคนตายเวลาไปช่างแล้วเนี่ยน้ําหนักต่างกันไหมคนตายกับคนเป็นอันไหนหนักกว่าอย่างสมมุติว่าคุณ ห้าสิบกิโลนี่นะมีชีวิตอยู่นะแคตายไปแล้วน้ําหนักคงที่ไหมมันจะเป็นยังไงมันก็หนักกว่าใช่ไหมนั้นรูปก็หนักกว่าน้ำนะรูปก็หนักกว่าน้ำหมายความว่าที่เรารู้สึกหนักๆนองๆเนี่ยเป็นน้ําหนักนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราเป็นลมแล้วคนมาดึงเราไปหมายความขึ้นไหเองไม่ได้นะ และถ้าเราดีๆอยู่แล้วคนมาจูงเราไปเนี่ยอันไหนเบาวกว่าเบาใช่ไหมไหลน้ําหนักเลยแต่ถ้าคนนี่คือนา้ามันก็ทําให้รูปนี่เบาขึ้นมาแต่รูปที่ไม่มีนม้ําคือรูปที่ไม่มีความรู้สึกมันก็หนักเข้ามาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นรูปมันจึงเป็นส่วนหลักคือดินน้ําล ม, มไฟเมื่อดินน้ําล ม, มไฟตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วที่เรานั่งเนี่ย เรามีความรู้สึกก็เป็นเป็นนามแต่ว่านามมีสองลักษณะนามที่ทำให้รู้จักว่ารูปในขณะนี้นั่งเรามีความหนักความหน่วงเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี่มีอยู่ใช่ไหมเรารู้สึกแต่มันคงที่ไหมความความรู้สึกนี้คงที่ไหมไอการที่มันไม่คงที่มันเปลยนโอพูดถึงเรื่องโอเรนชุยมาเลยเนาะ เพราะนั้นในส่วนนี้เราจึงมาดูว่าในตัวรูปตัวนามตัวกายตัวใจเนี่ยมันมีปัญหาในส่วนที่เป็นรูปมันเปลี่ยนแปลงแต่เวลาใช่ไหมเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวสบายนั่งทันนี้มันหนักพอพลิกไปความหนักหายไปเดี๋ยวเบาเลยใช่ไหมนั่งตันนี้มันร้อนอ๋อพอไปเปลี่ยนไปอีกที่มันก็เย็นมันเปลี่ยนไปตัวที่ผู้รู้หนักรู้เบารู้เปลี่ยนแปลงของรูปนี้เราเรียกว่า ผู้รู้ว่ามันหนักมันเบามันสบายไม่สบายใครเป็นผู้รู้ญญจิตบ้างใจบ้างนามบ้างเออแล้วแต่สมมุติเรียกนะแต่เขาเรียกทั้งหมดว่านามนามนามนี่หมายความเป็นคำคกว้างนะมันรวมทั้งหมดรวมจิตรวมใจรวมสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเราเรียกว่านามนะ เ, เรียกว่านามรวมทั้งหมดทีนี้การที่เรามีรูปมีนามมีกายมีใจ ที่เราไม่รู้จักใช้มันเนี่ยมันได้ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยเหมือนโยมมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งใช่ไหมยี่ห้อดีมากเลยแต่โยมใช้มันไม่เป็นอะ่ะมีประโยชน์ไหมโอ้เอาไปแลกขนมริสูฉันใช้ไม่เป็นแต่มารู้ที่หลังโอ้คอมพิวเตอร์มัน I7 เจ็ดนี่นะแรงมันตั้งสี่กิ๊กห้ากิ๊กโอ้โหนะคนที่ใช้เป็นเป็นไงนะโอ้อันนี้มันหมายถึง ดีมากเลยนะคุณภาพดีมากเราใช้เป็นคนที่ใช้ไม่เป็นฉันไม่รู้ด้วยแลมเท่าไหร่กิ๊กเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าสมมติเรามีชีวิตขึ้นมาแล้วเราไม่รู้จักตัวเองเนะี่ยตัวตัวเราจะได้คุณค่าจากชีวิตไหมไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้จักมันเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ดีๆแต่ว่าเราไม่รู้จักมันเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากมัน ดังนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่ดดังคุ้มคุณค่าคือได้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดของมนุษย์ที่ควรจะได้คืออะไรยมปรารถนาอะไรต้องถามทีละคนปรารถนาอะไรว่าเป้าหมายชัดก่อนนะพวกเราที่มาเนี่ยเราปรารถนาอะไรสูงสุดฮะที่ผ่านเราเข้าใจได้ไหมว่าเป็นยังไง ปรารถนาในสิ่งที่เข้าใจได้นะสิ่งไหนที่เราเข้าใจไม่ได้ไปปรารถนาถึงปรารถนาก็ไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้าว่าปรารถนาว่าผลนิพพานเราคุณรู้ยังว่าผลนิพพานเป็นยังไงเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมแต่ปรารถนาในสิ่งที่เราเข้าใจได้ยมปรารถนาอะไรรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองทุกวันนี้มันยังไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักแต่น้อยไปไหมอันน้อยถ้าถามต่อบไปรู้จักตัวเองเพื่ออะไรเพื่อได้ทันอารมณ์ ใช้ตัวเองเป็นใช่ไหมนั่นไม่ใช้ตัวเองเป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะได้มีประโยชน์ตัวเองกับคนรอบข้าเป็นประโยชน์ตัวเองรอบข้างเมื่อรอดประโยชน์ตัวเองรอบข้างแล้วต่อไปได้อะไรเนี่ยถ้าเราไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดนั้มันก็จะหาช้อยออกไปเรื่อยๆเยอะเพราะนั้นสูงสุดคือต้องการความสงบและความสุขใช่ไหมอ่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างสูงสุด เราต้องการตรงนั้นที่ไอ้สูงความสุขอย่างสูงสุดเป็นยังไงความสุขมีกี่อย่างโยมเคยสุขเลยยังเคยแล้วยังอยู่ไม่ตัวที่ความสุขนั่นสุขไม่แทสุขไม่แทคนสุขมีสองอย่างสุขแท้กับสุขเทียมสุขแท้กับสุขเทียมคือสุขเรียวแฮปปี้เ็กับอันเรียวแ p ปปี้เ็ตใช่ทีนี้ในสุขแทเนี่ยมันยังอยู่กับตัวเราตลอดมีบ้างไหมความสุข ที่มาแท้ๆที่อยู่กับตัวเราขณะนี้มีมัมยมนั่งสบายเนี่ยยมไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีใครมาทวงนี้ทวงศินไม่มีใครมาโจลดมาจันทร์โดยคดีความต่างๆเพ็นอิสระไม่ได้นึกถึงตัวเนี้ยยมมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมเป็นอิสระไหมในใจยังไม่มีโอแสดงว่าพกความคิดมาเยอะเลยนะเนี่ยอย่างเอาออกไม่ได้เลยมันเออมีอยู่่แต่ยมมองไม่เห็นมันยมนั่งสบายว่าตัวเนี้ยนั่งสบายใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรมาบีบคั้นรัดรึงนะ ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะยังไม่ต้องไปว่าถึงชั่วโมงที่แล้วมานะขณะนี้เดี๋ยวเนี้นาทีที่แล้วก็ยังไม่ต้องคิดเหมือขณะนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นไงสบา ย, บายปลอยโปร่งถือว่าเป็นสุขไหมลักษณะนี้มันมีอยู่ประจำไหมหรือว่ามันมีเป็นบางครั้งมีอยู่เรื่อยมีอยู่เรื่อยจะเรว่าประจำบางครั้งผมก็สามารถจะบงบอกได้บ่งบอกได้แต่มันมีอยู่ใช่ไหมความสุขแบบนี้มีอยู่หาได้ตลอดเวลาใช่ไหม แต่ทําไมเราไม่เอามันไว้ให้มีตลอดเวลาล่ะอาจจะไม่รู้จักนาไม่รู้จักวิธีการนะวันนี้เราจะมารู้จักวิธีการรักษาความสุขที่แท้พัฒนาความสุขที่แท้ขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็ต้องมาด้วยกันความสุขแท้กับความสุขเทียมอยากจะถามว่าอย่างนี้ตั้งแต่โยมเกิดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยทิ้งตัวโยมไปเลยและอีกสิ่งหนึ่งมันเพิ่งมาทีหลัง อยากจะรู้ว่าสองสิ่งนี้คืออะไรพอเกิดมาปั๊บยมมีอะไรสิ่งนี้ถ้าไม่มีเนี่ยถูกตีขนาดหนักเลยนะเวลาโยมเกิดลูกเห็นไหมถ้าเด็กมันไม่ร้องแนละ้วเขาเป็นยังไงตบเลยนะตบให้เกิดอะไรร้องเอาแว่ขึ้นมาใช่ไหมมันก็กลายเป็น awareness a w a r e แปลว่าอะไรรู้สึกตัว <laughs> อ, อมันไม่เอาแวอออหวนเขาต้งตบก้นเลยมันเอาแวเลยนะจนก็จาก่าขึ้นมาเลยนะัออ่นแหละมันเอาแวแล้วสิ่งแรกที่ติดเรามาคือเอาแวน คือความรู้สึกความรู้สึกตัวนะแล้วก็ตอนต่อมาเราก็รู้สึกหิวใช่ไหมรู้สึกหิวอยากตามสัญชตาตญาณเด็กหิวนมแล้วมันร้องไห้นี่มันคิดไหมฮะไม่ได้คิดใช่ไหมมันก็ร้องตามสัญชตาตญาณเพรา ะ, ะนั้นความรู้สึกนั้นยังเป็นสัญชตาตญาณอยู่ยังเป็นทุกคนมีนะเพราะฉะนั้นสัญชตาตญาณของคนริษัทเสมอกันอยู่สอย่างหนึ่งก็คือ แสวงหาอาหารใส่ปากสองแสวงหาที่อยู่อาศัยสมเมื่อมีภัยมาไปไงนะก็ป้องกันหรือหนีภยัยสต้องการมีลูกมีผัวมีเมียเพื่อสืบพันธุ์นะโดยสันชัตเดียร์บอกว่าคนและสัตว์ไม่ต่างกันลักษณะ4อย่างเนี่ยยกธรรมะออกเสียคนก็คือสัตว์สัตว์ก็คือคนมึงคือคนร้ายกว่าสัตว์อีกใช่ไหมเพราะสัตว์ไม่ไม่สามารถจะไปสร้างระเบิดสร้างปืนยิงกันได้ทําลายกันได้ไแต่คนทําได้อะ นะสัตว์ไม่เคยโกงเคยกินอะไรกันแต่คนทําได้สัตว์ไม่เคยข่มคืนกันได้แต่คนทําได้นี้คือว่ามันจะร้ายกว่านั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่ติดตามลงไปทีมีสองลักษณะหนึ่งความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณใช่ไหมที่เราต้องการอยู่ต้องการกินอะไรตามธรรมชาติความรู้สึกที่เป็นสัญชาตโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนี่โตขึ้นมาเด็กอยากได้อย่างนั้นมีความอยากขึ้นมาแล้วความรู้สึกอยากใช่ไหม แล้วมันก็เริ่มคิดใช่ไหมสิ่งที่ตามมากับความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณคือความคิดอันนี้ว่ากันเบสิกมากๆเลยนะเพื่อจะเห็นภาพตามลําดับเพราะในวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไม่พูดอะไรไแบบหลับตาหรือว่านึกภาพไม่ออกแต่ให้นึกภาพเราออกมาย้อนไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวที่เราคิดเนี่ยมันมากับความความสัญชาตญาณความรู้สึกตัว เป็นสันติยานที่มาอยู่แล้วดั้งเดิมแล้วก็เหมือนกันทุกตัวตนทุกคนทุกสัตว์แต่ที่จะทำอย่างไรในความรู้สึกที่มากับรูปเนี่ยเขาได้มาจากไหนที่เราเกิดมาปั๊บนในรู้สึกตัวเนี่ยเขาได้มาจากไหนเกิดมาจากท้องแม่ก็มีเลยใช่ไหมในช่วงที่เขาอยู่ในท้องแม่ความรู้สึกนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมทีนี้แม่ก่อนที่จะเกิดเขาอยู่ในท้องเนี่ย มันเกิดขึ้นมาลอยๆหรือมันมีเป็นเหตุอะไรให้เกิดใช่ไหมคือพ่อกับแม่ต้องไปเห็นกันก่อนเห็นกันแล้วเกิดความชอบไม่ชอบความชอบมันมีความถี่สูงกว่ามันก็เกิดให้เกิดความชอบบวกรูปกับนามของคนสองคนเนี่ยก็มาเป็นจิตวิญญาณตัวตัวนี้คือความรู้ทีนี้คนสองคนนี่ไม่ใช่ว่าจู่ๆมาเจอกันแล้วก็มาแต่งงานกันเลยเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องอะไรเบื้องแรกก็ต้องเห็นกันก่อน เห็นก็คือตากระทบรูปตากระทบรูปตาขณะกระทบรูปเนี่ยมันเห็นว่าเป็นรูปไหมอย่างโยมเพื่อเห็นแฟนครั้งแรกเนี่ยเห็นว่าโยมเป็นรูปเพียงรูปไหมเห็นว่าโยมผู้หญิงเป็นเพียงแต่รูปไหมเห็นเป็นอะไรคนสวยหรือไม่สวยใช่ไหมอ่าไปเห็นความสวยแต่ไม่ได้เห็นรูปเลยนี่เราพลาดมันแต่โน้นเลยนะเพราะเราไปเห็นรูปเป็นผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาแต่เราก็ไปรักผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้รักรูปเลย แต่ถ้าไปเห็นยมผู้หญิงเป็นซากศพในะยมจะเกิดความเห็นโน้นรักไหมเออเดี๋ย ว, ว่าเป็นซากศพแค่ไม่สวยนะไม่ถูกใจมันก็ไม่ไม่ชอบละเพราะฉะนั้นเราไปเห็นตรงนั้นความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบตรงนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความคิดเราเราพลาดมาแต่นู้นแล้วเผ่าพันธุ์แห็นความทุกข์ก็กระจายมาเรื่อยๆโอเคนั้นอดีตเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้ใช่ไหมแต่ในปัจจุบันโอเคเราอาจจะ มาเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นสันชติยานที่ได้มาเป็นเหมือนมเมล็ดพืชเนี่ยความรู้สึกตัวที่ติดเรามาเนี่ยเปลี่ยนเปหมือนมเมล็ดพืชที่ได้มาแล้วท่านใชก้กาโพธิจิตหรือเทนว่านาโพธิจิตหรือโพธิสัตว์ตมาแล้วคือหมายความว่าในตัวเรามีตัวรู้ทุกคนแต่ตัวรู้ทีนี้เป็นสันชติยานอยู่ใช่ไหมเป็นมเมล็ดอยู่ทีนี้จะทำอย่างไรให้ ตัวสัญชาตญาณตัวนี้อินสติ้งเนี่ยให้มันเป็น Insight Instinct ไปว่าสัญชาตญาณนะอันนี้ขอโทษใช้ภาษาประกอบนะเห็นภาพชัดว่า Insight ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณนะให้เป็นความรู้ที่เป็นตัวรู้ข้างในรู้มาที่ถ้ารู้สัญชาตญาณมารู้ออกไปข้างนอกใช่ไหมรู้เราเห็นไปข้างนอกหมดแต่กลับเข้ามารู้ข้างในก็เป็นอินไซต์เนี่ยเห็นแบบแสงสว่างนะไม่ใช่ i n นไซต์ d e อีนะไปอินไซต์จ ht นนซด์เด <H> <laughs> <inside S 2> ีวนั้นคือมาเห็นเป็นเกิดสว่างข้างในเราเห็นว่าสว่างข้างในดังนั้นตัวรู้ตัวนี้ต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษก็คืออาศัยตัวสัญชตาตญาณเหมือนกับต้นไม้ตัวนี้มันก็คือมาจากเมล็ดใช่ไหมเมล็ดมาขามอย่างเงี้ยเมล็ดมาขามกับต้นมาขามนี่คนละเรื่องกันเลยไม่เหมือนกันนะเราก็อาศัยเมล็ดตัวนี้มาเพาะแต่ถ้าเมล็ดตัวนี้ไม่ได้ถูกนําไปเพาะไปปลูกไปหวานเนี่ยมันจะเกิดไหม ไม่เกิดโยมคิดว่าเมล็ดทุกขามทุกเม็ดที่มันออกตกมาจากต้นมันต้องได้เกิดทุกเม็ดไหมใช่ไหมเมื่อมีคนนํามาเพาะมาหวา น, นี่ท่านเปรียบเหมือนคนทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยก็เหมือนเมล็ดพืชที่ตกมาพื้นดินมันไม่ได้มันไม่ได้มาทางที่จะพัฒนาให้เป็นต้นไป็นอเหมือนกันทุกคนนะแต่วันนี้โยมทุกคนที่มาเนี่ยเหมือนกับกําลังนําเมล็ดนั้นมาเริ่มเพาะปลูก อาจจะมาเป็นชาวสวนนะตอนนี้นะจะลดน้ำใส่ปุ๋ยพรวดินแบบไหนนี่ก็กลองมาศึกษาร่วมกันดูดังนั้นตัวรู้สึกตัวที่มีอยู่โดยสัญชตาตญาณเวลารู้สึกนั่งท่านี้เมื่อยก็เปลี่ยนไปท่านี้ใช่ไมไม่ชอบตรงนี้ฉันก็ไปตรงนู้นคือมันจะไอ่ฟ o ลโล่ตามความรู้สึกความรู้สึกที่ทำให้เราตามมันไปเขาเรียกว่าเวทนารู้สึกสบายฉันก็ชอบใช่รู้สึกไม่สบายฉันก็ไม่ชอบ นี่เป็นความรู้สึกที่เป็นสัญชัดญานเพราะนั้นตัวสัญชัดยานมันทำหน้าในฐานะเป็นเวทนาเวทนาตรงนี้เป็นนามตัวหนึ่งนะฮะดังนั้นเองเมื่อเรามารู้ว่าในตัวเราทุกคนเนี่ยมีเมล็ดแห่งพุท ธ, ธมีพืชพันุ์แห่งพุท ธ, ธะอยู่ทุกคนไม่ว่าสิงสาราสัตว์สิงสารารสัสาาตว์ก็มีรู้เหมือนกันนะใช่ไหมอย่างสุนัขมันนอนตรงนี้นาน ม, มันเบื่อมมันก็วิ่งไปที่อื่นมันก็รู้เหมือนกันว่ามันเบื่อ มันก็มีนะแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ต่ำเท่านั้นเองแต่วิญญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นอุดมภาพมีจิตวิญญาณที่สูงเพราะฉะนั้นโชคชั้นที่หนึ่งของโยมคือเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็มาศึกษาภาวนาแล้วมาได้วิปัสสนาที่ว่าโชคสูงสุดแล้วทีนี้เราจะเอาตัวรู้ที่เป็นสันทติยานให้เป็นวิปาาัสสนาญาณหรืออินไซด์ได้อย่างไรตรงนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิด คนทั้งหลายก็เข ค, ค้นคว้ากันว่า อ, อยู่ในกับโลกนี้มันทุกข์เหลือเกินมีคนกลุ่มหนึ่งออกจากบ้านจากเรือนมาหาวิธีเพ่งคนพวกนี้ก็มาเพ่งให้จิตมันเกิดอ ะ, อะไรอ่ะไปเกิดเป็นหนึ่งใช่ไหมาะพจิตเขารู้ว่าจิตมันคิดไปเนี่มันทุกข์มาเพ่งให้จิตเป็นหนึ่งแต่ว่าไปเพ่งแล้วมันก็เกิดพลังของความสงบความสุขเขาก็ไปติดอยู่นะคนกลุ่มนี้เรียกว่าชานันบุคคลหรือเรียกว่าเรียกมาพราหมณ์นะะ พวกพราหมณ์พวกพรมทั้งหลายเนี่ยเขาเค่มาพ่งจิตให้เป็นหนึ่งก็ เ, เกิดเป็นศาสนาขึ้นมาศาสนาพราหมณ์และในศาสนาพราหมณ์นี้ก็ต่อมาก็มีผู้ได้เข้ามาศึกษาต่ออย่างพุทธเจ้าเจ้าชยายศรีธัฏฐ์พอออกมาจากอ่า น, นก็มาศึกษาเรื่องตามรัฐที่ของพราหมณ์ของปู่ย่าตายายของตนลงวงตระกู ล, ลตั้งแต่อายุสิบเก้าไปถึงยี่บห้าหกปีอะท่านได้ศึกษาตามรัฐที่ศาสนาพราหมณ์ แต่ว่าท่านมีปัญญาพิเศษตรงที่ว่าเอ๊เพะพอจิตสงบแล้วเนี่ยมันไม่ได้สงบตลอดไปพอความสงบมันลดลงมันก็เริ่มคิดใหม่ใช่ไหมอ่าเอ๊ะมันก็แสดงว่าความสงบนี่ไม่ไ ม, ไม่มันยังท่านใช้คําว่ายังเป็นชาลาธรรมอยู่คือเสื่อมได้อยู่มันยังอาวพาดอยู่นั่นแสดงมันไม่ใช่ออกจากอาจารย์นี้ก็ไปอาจารย์นั้นก็เหมือนเดิมจนกระทั่งมาอาจารย์สุดท้ายชื่ออะไรนะอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นพราหมณ์ชื่ออะไรอาลาละดาบทและ อุทกกะดาบทในสมัยนั้นถือว่าอาจารย์สองท่านเนี่ยมีชื่อเสียงสูงสุดในแง่ของการทําจิตให้สงบแล้วสามารถพัฒนาเป็นฤทธเดชปฏิหารหอกเดนเดินอากาศดําดินบินบนร่องขนไหายตัวได้หมดอาจารย์สองท่านเนี่ยถือว่าสูงสุดท่านก็เข้าไปเรียนด้วยเรียนด้วยพุทธิยถาก็เรียนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรพชิตเป็นพระเนี่ยเป็นสมณะเข้าไปเรียนแ้วก็จบหลักสูตรอาจารย์ได้ด้วยทได้เหมือนอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์ก็ชวน ตั้งสำนักด้วยกันแยกเป็นสาขาท่านบอกว่าไอ้ถ้าผมมาอยู่ปกติแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดเหมือนเดิมอะ่ะไอ้ตอนที่สงบมันก็ทําได้ตอนที่ไม่สงบมันทําไม่ได้อาจารย์พราะแสดงว่าไม่ใช่เนี่ยผมไปหาทางผมเองอีฝาแล้วท่านก็แยกตัวมานะคือเมื่อก่อนหมายเขาว่ า, มาเมล็ดเนี่ยมะเพราะพอมันงอกก็กินละทําถั่ว ง, งอกสมัยนั้นนะคือหมายเขาว่ามันแตกออกมาจากไอ้ไอ้ต้นเขาก็กินละเนยะ ความหมายมันแค่นั้นพรามคือเอาเปลือกออกเพื่อจะกินเนื้อในมันแต่พระพุทธเจ้าของเราพัฒนาไปกว่า น, นั้นอีกว่าเอ๊ะตัวความสงบตัวเนี้ถ้าหากว่าที่มันเสื่อมไปเกิดแล้วมันสงบความสงบแล้วมันเสื่อมไปได้เพราะเพราะมันยังมีรูปอยู่ในนั้นอ่าไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวลว้ลวนๆถ้าเป็นความรู้สึกตัวลว้ลวนๆแล้วมันจะไม่ดับมันจะไม่เสื่อมเพราะรูปนี้เป็นรูปกบบนาําถ้าเป็นภาษาวิทยศาศาสตร์รูปนี้เป็นอะไรถ้าเป็นภาษาวิทย า, าศาสตร์เป็น โมริกูลคือเป็นสสารใช่ไหมนานี่เป็น e n e r ี y เป็นพลังงานเป็นสสารพลังงานคือรูปกับนามเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแต่ energy มันไม่เปลี่ยนมันยังคงเดิมเป็นอมตะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนัน้นนามก็ต้องไม่เปลี่ยนมันต้องไม่มันไม่ต้องมันไม่ต้องเสื่อมไม่ต้องอวบอ้วนไม่ต้องชราใช่ไหมไอ้ตัวรู้สึกเนี่ยที่นี่จะทําไงไอ้ตัวนี้เวลาจีตเป็นสมาธิดีแล้วเนี่ยพอหมดสมาธิมันก็คิดเหมือนเดิมอะอแสดงว่าในในความสงบมันมีรูปอยู่ มันไม่ได้เป็นนามล้วนๆท่านก็เลยมานั่งพิจรารณาวันขึ้นสิบสี่ําเดือนหของเนรวิสาขาท่านก็เลยอธิฐานคือท่านพอรู้แล้ว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามมัเห็นได้เอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราดูเพ่งดูรูปกับนามความคิดที่มันสงบเนี่ยให้มันเห็นชัดๆว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามท่านก็มาเพ่งดูอธิฐานเลยนะแต่ก่อนที่จะมาอธิษฐานจิตตรงนั้นท่าน เช้าวันนั้นอ่ะอันนี้เรื่องมันเยอะหนยเนาะนางสุชาดาลูกสาวเศรษฐีแถวแถวนั้นอะ่ะก่อนหน้า น, นั้นหลายเดือนเขาไปปรารถนาเขาอยากจะได้ลูกชายเพราะคนทั่วไปก็เหมือนว่าเราคือเจอต้นไมใ้ใหญ่ๆก็ถือว่ามีมีสางเทวดาใช่ไหมก็ไปอธิฐานขอลูกขอลูกผู้ชายปรากฏว่า น, นางสุชาดาได้ลูกผู้ชายสงใจทีนี้ก็เรว่าเทวดาตรงนี้เออศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยแต่ง อาหารหวานขาวอย่างดีที่สุดก็เรียกมัทูปาญาตเนะี่ยมาถวายเทวดาที่ตัวมาวปรากฏว่าพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะของเราก็ไป น, นั่งบําเพ็ญอยู่ตรงนั้นพอดีนางสุเชดาก็ดีใจใหญ่เลยว่าวันนี้เทวดาปรากฏตัวนะไม่ได้คิดว่าเป็นพระเสด็หาธรรมะนะเทวดาปรากฏตัวก็ดีใจใหญ่ถวายทั้งหมดเลยทั้งมาเข้ามาทูปาญาตทั้งถาดทองคำถวายทั้งหมดก็เลยว่าเอ๊ท่านเป็นนักบวชเนะี่ยเมื่อนางถวายทั้งหมดเมื่อท่าน อาหารเสร็จแล้วเนี่ยถาดทองคำเนี่ยนักบวชเก็บไว้ไม่ได้ใช่ไหมเก็บไว้แล้วเป็นยงไงอันตรายนะเดี๋ยวเขามายิงมาที่มาปนมาท่านก็เลยเอาไปไปลอยน้ำท่านาไปลอยน้าในช่วงที่ท่านเดินไปที่แม่น้ำในรัญชายาท่นทานก็อธิฐานนะ่ถาว่าถ้าถาดทองคำวันนี้ไหลถา้ถาจะ กิเลสของข้าพเจ้าจะตายคายกิเลสขาดตัดกิเลสหลุดเนี่ยขอให้ถาดที่ข้าพเจ้าวางเนี่ยไหลทนกระแสขึ้นไปไม่น้ำเลยเลินใช่แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถตัดกิเลสได้คลายกิเลสหลุดชุดกิเลสออกไปเนี่ยขอให้ถาดใบนี้ไหลาตามกระแสตามประวัติบอกว่าพระวังป๊บเป็นยังไงพระาวังป๊บปรากฏว่าถาดใบนี้ไหลปุ๊บปุขึ้นไปทวนกระแสโยมลงไปที่ฐานที่ม่นำ้ำเจ้าพระยายอยู่ ถ้าข้าพเจ้าจะไม่ตายแล้วไซส์ขอให้ถานไว้นี่ทวนถ้าข้าพเจ้าจะตายแล้วถ้าขอให้ถ่า น, นี้จงตามเนี่ยมันจะไปทางไหนอ่ะมันก็ไปตา่างไวแสอันนี้ดังวิทยาศาสตร์รับไม่ได้ว่ามันไม่พลาติคอลเลยว่ากันตรงนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นปิศนานะเป็นซิโบนั่นท่านหมายถึงว่าตอนหลังจะแก้ให้ดูนะคือหลังท่านจะเดินพอ อธิษฐานเสร็จแล้วก็เดินกลับมามาเจอพราหมณ์คนหนึ่งมีอาชีพในการตัดหญ้าขายทีนี้พราหมณ์คนนี้เขาก็ใจบุญเนะเาะพอเห็นพระผ่านมาเขาก็เลยไม่มีอะไรถวายก็เลยถวายหญ้านะถวายหญ้าแปดกำมือชื่อว่าสุธียะพราหมณ์ท่านก็เอาหญ้าแปกกามือกลับมาถึงที่ปับ๊บก็มาปูราดอาสนะใต้ต้นโพก็นั่งปฏิบัติคืนนั้นะทั้งคืนท่านก็เฝ้าดูตัวเนี้ย คือเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ตัวสมาธิที่ตั้งขึ้นได้เนี่ยมันเสื่อมไปอย่างไรท่านจะมาวิจัยดูว่าไอ้สมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยพอพอเราไม่สนใจมันก็เสื่อมไปเพราะอะไรท่นก็เฝ้าดูก็มาแยกให้เห็นว่าโอ๋อชีวิตคือรูปกับนามเมื่อความรู้สึกตัวตัวนี้เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นตามตัวควาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่ ง, ขงตึงตามสัญชาตญาณคือต้องคิดใช่ไหม ที่จะเปลี่ยนที่จะหลบเวทนามันก็เป็นภัยของเราเช่นเรานั่งท่านี่นานๆไปไงไม่สบายเราก็เปลี่ยนไปถ้าอยากจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปไงมันก็คิดไงใช่ไหมมันก็คิดเอ๊เจะทํำยังไงอจะหลบหลวงพ่อเข้าห้องน้ำเสื่อหน่อยให้มันเนียนหน่อยอยงี้เออแล้วหลบไปแล้วถ้าเปลี่ยนไปในตัวเอก็คิดไปคิดมาวังอ๋อเมื่อกี้มันมีแต่ความรู้สึกเฉยๆเมื่อกี้ความคิดท่านสังเกตเห็นเลยนะว่อความคิดมันเกิดขึ้นตอนที่เราจะอ๋อ ปวดใหม่ๆนั่งให ม, <us> ม่ๆมันไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมพอมันเริ่มหนักเริ่มหน่วงเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนเอาอก่อนที่จะเปลี่ยนนี่มันมีการคิดซะ ก, ก่อนนี่เขาก็แยกเห็นไอ้มันมีความคิดแล้วกลับเข้าไปดูอีกทีไอ้ความคิดมันรู้เฉยๆยก็มีเนี่ยเมื่อก่อนเวลามันจะพลิกเราพลิกไปเลยใช่ไหมไอ้การพลิกเราเปลี่ยนไปเลยนี่เป็นอะไรนะที่ว่าเมื่อกี้เป็นสันชาติยานหรือความเคยชินแต่ทีนี้ไอเ้เวลาคิดจะพลิกเราไม่พลิกก็ได้นี่เราไม่ตามมันก็ได้ความคิดประเภทนี้เราก็ไม่ต้องคิดก็ได้ดู เห็นเลยอ๋อกายเนี่ยมันจะต้องปวดต้องเมื่อยเพราะกายเป็นอะไรเป็นรูปใช่ไหมรูปมันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เสมอกฎไตรลักษณ์มีอะไรบ้างชาวพุทธอันนี้นะถามชาวพุทธนะไม่ใช่เท่าชิดอิสลามนะกฎของไตรลักษณ์มีอะไรบ้างอะนิจังทุกขงังอนตัตตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่รู้ถ้าเริ่มต้นมีรูปที่ไหนอ่ะกี่ร้อยกี่ล้านกฎ กลับมาก็จะต้องเป็นอย่างนี้กฎของมันเอ้ยลูกมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามนั้นเปลี่ยนไปตามเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบ า, เ ด, เ, บาเดี๋ยวสบายไม่สบายเพราะมืนกันเป็นการเปลี่ยนแปลงขณะนั่งนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรามองไม่เห็นคืออะไรการเปลี่ยนแปลงภายในที่เรามองไม่เห็นคือธาตุสี่ใช่ไหมดินน้ําลมไฟมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไอการที่เรานั่งทับลงไปสมมติน้ําหนักของเราสัก50าสกิโลนั่งทับท่อเลือดท่อลมท่อดินท่อน้ําท่อไฟของเราที่เขาไอหมุนซิเคิลเลชันไปตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าเราไป กดมันไว้ทีนี้อาการไหลเวียนของท่าสีดิน้ำเนี่ยสะดวกไหมไม่สะดวกเพื่อไม่สะดวกเขาก็พยายามที่จะดันให้มันไปดันไปเกิดการขัดแย้งภายในตัวเองก็เกิดความหนักหน่วงขึ้นมาตรงนี้คือกฎของอนิจจังแต่ว่าเราไปบล็อกมันไวแล้วไปบล็อกกันแต่พอเราเปลี่ยนทางขยับปับ๊บไปไงเบาเลยใช่ไหมนั่นหมายความว่าอนิจจังทุกขังราได้ทํางานตามปกตินั้นการที่เรานั่งอยู่นิ่งอยู่โดยไม่เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปับ๊บแต่เปลี่ยนมี2 อ, อย่าง โยมมีอะไรบ้างข้างหลังนี่การเปลี่ยนแปลงมีสองอย่างไอ้ฟังหลวงพ่อกลัวนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะท่องเมื่อคืนไม่ได้นอนแน่นนแน่เลยธรรมบที่คนฟังหลวงพ่อจะง่วงไม่เป็นเลยนะแต่วันนี้ง่วงนี่ไม่ใช่ธรรมดาใชแล้วนะขอโทษนะที่กระดุกกระดุกให้ตื่นนะเพราะฉะนั้น <S <S 1> <S 1> การเปลี่ยนมีสองอย่างหนึ่งเปลี่ยนด้วยเจตนาสองเปลีบบ่ยนด้วยไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาเปลี่ยนเป็นอะไร เรียนให้ทันนะเวลามีน้อยในะวันนี้นะเขาเปลี่ยนด้วยเจตนาเป็นตัวรู้นะเป็นสัญญาขึ้นมาถ้าเปลี่ยนด้วยไม่เจตนาเป็นสัญชาตญาณนะเพราะนั้นตัวรู้เริ่มแยกออกโอถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ใช่ไหมก็เปลี่ยนไปเราก็ได้สองอย่างหนึ่งได้ตัวรู้เกิดจากการเปลี่ยนสอง ได้ความสบายที่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนนี้เราคือไม่สบายก็เปลี่ยนให้มันสบายเท่านั้นเองแต่เราได้ความรู้กับคืนมาไหมไม่รู้ตัวอินไซต์เริ่มเกิดแล้วตัวนี้เริ่มเห็นว่าอ๋อนี่คือตัวรู้ที่บริสุทธิ์นี่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตมันเลยแต่คืนนั้นพูดวเจ้าชายชิดะสังเกตเห็นถ้าอย่างนั้นไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันก็มีกับเรามานานแล้วนี่แต่เนื่องจากตัวรู้ตัวนี้มันยังเป็นอะไรอยู่เป็น สันชัตเานเป็นความเคยชินแต่ตัวรู้อีกตัวที่ฉันขณะรู้เดี๋ยวนี้ก็คือตัวรู้ที่เห็นอ่าเห็นอะไรเห็นอาการปวดอาการเมื่อยอาการสบายไม่สบายเริ่มแยกตัวรู้ออกมาตรงนี้เองพุ้ทีเจ้าถึงถูกขนานนามว่าพุทธพุทธะไม่จช่คำว่าพุทชติดีพุทธเจแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานท่านรู้ตัวแล้วเป็นพุ้ชัแต่ไอ้คำว่าพุทธขอแยกไปนิดหนึ่งนะพุทธะหรือพุทโธพุทธ่เจ้าเนี่ย ใครตั้งให้ท่านรู้ไหมเพราะชื่อเดิมของท่านก็คือสีธานะหรือสมณะโคต ร, รมาหรือสีธาะแต่ชื่อนี้ปรากฏหลังจากที่ท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยคืนนั้นอ่ะท่านเข้าใจเห็นตลอดเลยอ๋อพ่อรู้รูปมันเท่าเปลี่ยนเป็นไปตามกฎของนาาิสสังทุกขนัตษณแต่น้ำเนี่ยมันเป็นเอเนจีมันเป็นพลังงานมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นนมตะใช่ไหมอ่าเป็นนมาตะ มันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้ที่แยกออกมาจากตัวสัญชตาตญาณตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณมีรูปปนอยู่ใช่ไหมคือสัญชตาตญาณแต่ตัวรูปที่แยกออกมาโดยตั้งใจได้เจตนาที่จะรู้เฉยๆเนี่ยมันเป็นนามล้วนๆเป็นตัวรู้ล้วนๆท่านเจอตรงนี้เองอ๋อนามบริสุทธ์ตรงนี้เองคือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะก็ตามตัวรู้ตัวนี้ไปตามไปตามไปเวลามันนึกขึ้นมาปับ๊บมันก็มีรูปอีกอันหนึ่ง รูปมีสองรูปรูปที่เป็นกายเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นตัวคือรูปันนี้เรียกว่ารูปอะไรนะรูปประทัดใช่ไหมแต่ทีนี้รูปอีกงานหนึ่งเวลาคุณนึกถึงบ้านคุณอะบ้านทั้งหลังปรากฏในใจเลยใช่ไหมรูปตัวนี้ต่างจากรูปตัวข้างนอกเลยไงรูปที่เกิดขึ้นน่ยรูปตัวนี้คือคือฟอร์มใช่ไหมแต่รูปที่เกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าอะไรความคิดหรืออิมเมจใช่ไหมฟอร์มก็บอิมเมจคนละเรื่องนะเขาก็เลยอิมเมจเนชั่นก็สร้างเป็นนี่ขึ้นมาโดยอิมเมจนี้ปรากฏ รูปที่เราถ่ายก็เรียกอิมเมจนะรูปที่คุณถ่ายมาเนี่ยมันคือรูปของอันนี้แต่ไม่ใช่ตัวตึกตัวนี้ความคิดที่ปรากฏขึ้นในใจจึงเรียกว่ารูปประขันตัวรูปข้างนอกในรูปประทาเนี่ยมันไม่ได้สร้างเรื่องสร้างราวห้เราเพราะฉะนั้นความคิดทุกความคิดก่อนที่มันจะคิดมันต้องสร้างรูปตัวนี้ขึ้นมาก่อนรูปที่เรเรียกว่าจินตนาการใช่ไหมจินตนาการตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้ทําให้ท่านนะไม่แค่มีรูปนาม มีรูปขันรูปธาตุตอนนี้มีอีกคำหนึ่งเลยว่านามรูปตัวรูปที่เกิดในใจมันเกิดจากนามใช่ไหมเกิดจากตัวรู้ใช่ไหมเขาเรียกว่านามรูปตัวนี้คือสาเหตุที่เราได้เกิดมาสาเป็นสาเหตุของการเวียนว่ายใจเกิดทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นอ๋อไอตัวรูปข้างนอกเนี่ยมันมีปัญหาแต่ว่ารูปนามรูปเนี่ยรูปที่มันติดไปกับความรู้ตัวเนี่ยมันก็ยังเป็นรูปอยู่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นรูปตัวนี้ก็ยังเป็นไปตามกฎของอะไรกฎของใตรักถึงแม้ว่าเป็นนามารูปมันก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎของใจรักณอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้มันเหลือแต่นามล้วนๆโดยเอารูปออกเสียเนี่ยทำอย่างไรคือไม่ให้จินตนาการเกิดขึ้นรักษาตัวรู้ล้วนๆตรงนี้ท่านแยกรูปแยกนามออกเป็นขั้งแรกก็คือพอตัวรู้ชัดๆความรู้สึกตัวชัดๆ ไอจินตนาการมันไม่เกิดแต่พอความรู้สึกตัวเริ่มไม่ชัดไปไงจินตนาการมันก็เริ่มเกิดเหมืนอนโยมตรงนี้ว่าห้องนี้มืดทั้งห้องเลยใช่ไหมเวลาเปิดไฟไปไงสว่างถางมว่าความมืดหายไปไหนตอบได้ไหมสมมติในห้องนี้มืดตึ๊บเหมือนในถ้ำเลยนะพอเปิดแสงสว่างขึ้นปั๊บความมืดหายทันทีใช่ไหมดิสเพียนาที แต่แสงสว่างปรากฏขึ้นแต่พอปิดไฟปั๊บมืดใหม่อีกถามว่าความมืดมาจากไหนนะออออตรงนี้สำคัญอ่าถ้าเปรียบเสมือนความมืดคือรูปแสงสว่างคือนามเพราะนั้นรูปกับนามเป็นสองมิติมันไม่มีตัวใช่ไหมแต่มันเป็นมิติที่รูปของเรา ถ้าเราหลับตาปั๊บเนี่ยเราจะเปิดไฟหรื อ, รอปิดไฟเนี่ยมันมีผลไหมตรงนั้นเองเขาเรียกว่าจักขคูวิญญาณเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเกิดขึ้นถ้าหลับตาปั๊บเนี่ยไม่มีจักรคูวิญญาณใช่ไหมจักรคู่วิญญาณมีแต่ไม่ได้ทําหน้าที่แต่พอเราเปิดตาขึ้นปั๊บเปิดไฟเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะปิดไฟไม่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวิญญาณเริ่มเกิดขึ้นต่อเมื่ อ, อมันทําหน้าที่ที่มากระทบ พอเวลาปิดจกักรวิญญาณปั๊บเนี่ยรูปเมื่อรูปสว่างไม่ได้มากระทบจึงไม่เกิดความคิดเรื่องมืดเรื่องสว่างขึ้นมาโอ้ตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านก็เลยตามความรู้ตัวนี้ความรู้สึกตัวตัวนี้นะตามไปตามไปตามมาความรู้สึกตัวนี้มันมันสามารถรู้ได้เนี่ยเรียนรู้ได้เริ่มแยกออกเมื่อก่อนมันมันรู้ว่าต่อว่าจะรู้คือรู้ไปตามสัญชาตญาณ ฉันจะขยับเนี่ยเพราะว่าฉันไม่สบายใช่ไหมฉันจุดก็เออฉันสบายขึ้นอยู่กับความสบายไม่สบายเป็นตัวกำหนดแต่ทีนี้เวลาไม่สบายขึ้นมาฉันไม่ขยับก็ได้ฉันรู้มันเฉยๆัวนี้เริ่มเป็นอิสระแล้วตัวรู้เริ่ม็นอิสระจากรูปแล้วก็รูปนั้นจะเปลี่ยนไปแต่ว่าตัวรู้ที่สัญชาตญาณมาบังคับไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้ตามมันไปแต่เรามารักษาตัวรู้เฉยๆคือตัวนามนี้เฉยๆได้ ตัวนี้เราเรียกว่าสติอันนี้คือสติในวิปัสสนานะไม่ใช่สติที่ว่าเป็น definition แบบสติที่เขาให้ตามหลักวิชาการทั่วไปทางศาสนาว่าสามารถจดจำงานที่ทำกิจที่ทำคำที่พูดได้ที่ผ่านมานานแล้วเรียกว่าสติระลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดที่ผ่านมานานเรียกว่าสติแต่ว่าในวิปัสสนาไม่ใช่สามารถระลึกรู้ในสิ่งที่ปรากฏในตัวเอง ได้ชัดเจนขณะนิยมนั่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเห็นตลอดไหมว่าในตัวเองกําลังมีความรู้สึกอย่างไรเห็นตลอดไหมเห็นหมดไหมยมลองเรื่อยเรืเห็นหมดไหมถ้าสมมุติว่าเห็นในส่วนที่สัมผัสได้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งแข้ ง, ขงตึงเจ็บปวดส่วนนี้เป็นรูหรือเป็นนามไอ้แล้วก็ตามที่มีน้ําหนักที่เราว่าดโดยัวไปอะไรก็ตามที่มีน้ําหนักที่มีอาการเป็นรูแต่ผู้ที่เข้าไปรู้น้ําหนักรู้อาการนี่เป็นนาม แต่นามมีสองอย่างนามที่เป็นสัญชตาตญาณและนามที่เป็นตัวปัญญาญาณและนามที่เป็นสัญชตาตญาณนั้นต้องอาศัยต้องพัฒนามันไหมไม่พัฒนามันเป็นมเมล็ดมันก็คือมเมล็ดต่อเมื่อเรานําเมล็ดมาพัฒนาคือมาสังเกตมาศึกษามาดูแลมาเอาใจใส่ตัวสัญชตาตญาณก็เปลี่ยนเป็นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นปนัญญาคือเป็นสติก่อนนะเป็นสติถ้ารู้บางจุดที่ยกมือ จะรู้ได้ยังไงต่อไปนี้คือการสาธิตแล้วทีนี้นะเอาละเราจะปลูกเพาะตัวรู้ตัวนี้ให้มีกําลังได้อย่างไรนะในะเวลาอย่างี้สิบนาทีคงจะทันอยู่นะในวิธีการของหลวงพ่อเทียนท่านจะไม่ใช้วิธีการหลับตาเนื่องจากว่าตัวรู้สึกที่เกิดจากการหลับตาเนี่ยมันเบามันบางแต่ความรู้สึกทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งใจของเรามันมีความ หลากหลายมีความกว้างขวางแล้วก็มีความซับซ้อนใช่ไหมแต่ความรู้สึกตัวที่เกิดจากการดูลมให้ใจทุกระบบกำลังมันไม่พอเหมือนในห้องเนี่ยมืดเต็มที่เลยเอามาก็ถือเทียนมาเล่มหนึ่งประมาณหนึ่งเทียนก็หนึ่งแรงเทียนใช่ไหมเข้ามาหาของถ้าของในเนี้ยมันสลับซับซ้อนมากอามาจะหาเจอไหมไม่เจอ ชีวิตของเราถ้าใช้ความรู้สึกเล น, น้อยที่เกิดจากลมหายใจแต่ว่ามีความซับซ้อนสูงทั้งลูกทั้งน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะค้นหาความจริงได้ถึงจะค้นได้หาช้ามากถ้ามันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมทีนี้เพิ่มขึ้นสองเรียงเทียนสามเรียงเทียนจะขี่เรีงเทียนก็ตามแต่มันก็ยังน้อยอยู่แต่หลวงพ่อบอกโอ้ต่อมาก็ค้นพบวิธีการโอ้ไม่ต้องใช้เทียนแล้วทีนี้ติดไฟฟ้าเลยทีนี้นะใช้สปอตไลท์เลยทีนี้ในนี้มันจะซับซ้อนขนาดไหนใช่ไหมเห็นชัดหมดเลย ผู้ทีเจ้าค้นพบตรงนี้เราจึงเรียกการแต่สรุปของพระเจ้าว่า enlightenment แปลว่าเกิดการแสงสว่างขึ้นโพเขาเรียกอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณคือการตามรู้ตามเห็นด้วยตัวเองทั้งหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ในตัวเรามีไหมมีตัวรู้ตัวนี้มีแล้วก็มีเหมือนผู้ทีเจ้าผู้ทีเจ้าก็มีเหมือนเราแต่ว่าเนื่องจากท่านค้นพบเป็นคนแรกท่านจึงเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธ เมื่อท่านมาสอนมาแนะนำเราเราทําตามที่ท่านบอกเราทำํำก็เป็นเหมือนท่านเหมือนกันเราเรียกบุคคลนี้ว่าเป็นสาวกสาว ก, กุทธสาวกมาจากคําว่าสาวกกลับไปว่าผู้ฟังตามมานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่องนี้ว่าตัวรู้อันเกิดจากลมหายใจทุกระบบความถี่และความสว่างไม่พอแต่ถ้าจะให้พอต้องใช้เวลานานมากเมื่อหลวงพ่อเทียนท่านมาพบกฎอันนี้ปั๊บท่านก็อ๋ออันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากเหมือนกับเรา ท่านใช้เขาว่าอึดใจเดียวอ่าเป็นเลื้ยงเหลือเชื่อนะก็เหมือนกับยงกดสวิตช์เนี่ยต้องใช้เวลาไหมเพราะเดียวเนี่ยสว่างทั้งห้องเลยใช่ไหมแต่ถ้ายงใช้เทียนส่องหาทีลานเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานเท่าไหร่มันไม่พอเหมือนกันพอกาหนดความรู้สึกตัวปับ๊บเห็นชัดทั้งตัวเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใครบ้างที่มาเห็นตัวเองนั่งค่ะเนี้ยมีไหมนอกจากเห็นตัวเองนั่งแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงสัมผัสได้ไหมอ่า ความหนักตรงไห น, นหน่วงตรงไหนเคลื่อนตรงไห น, นรู้ได้ไหมตั้งใจรู้หรือมันรู้เองตั้งใจรู้ถ้ามันรู้เองมันก็จะไม่ลึกไงใช่ไหมรู้เผินๆว่าฉันนั่งอยู่แล้วก็ปวดหน่อยๆ ห, หนักหน่อยๆ น, นั่งแล้วเอียงหน่อยๆไม่สบายก็จะเอียงใช่ไหมมันก็จะรู้แค่นี้แต่รู้ลึกกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเจ็บปวดรู้แล้วขณะนี้เราคิดหรือไม่คิดเรารู้ไหมขณะนี้ยมคิดรู้ตัวไหมว่าคิดอะไรรู้ไหมก็ไม่ได้คิดใช่ไหม และขณะนี้ได้ยินไว้ไ ด, ดีเข้าใจไหมเข้าใจระหว่างนั่งตรงนี้เราคิดออกไปข้างนอกฟังอาตมาได้ยินไหมได้ยินแต่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่ขณะนี้ฟังแล้วรู้เรื่องทุกพจน์ทุ ก, ท ก, ทกคําจิตมันก็เป็นอยู่ปัจจุบันชัดเจนตรงนี้เป็นเจตนาความตั้งใจใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเผลอไปนิดไปคิดข้างนอกปับ๊บมันก็จะหลับตรงนี้ไม่ได้สุตวิญญาณที่รับตรงนี้ร้อมันก็เหลือแค่ห้าสิต์เฉามลาดับของมัน แต่การที่เรารู้ว่าตัวนี้เรากำลังอะไรอยู่ได้ยินได้ฟังอยู่ได้สัมผัสอะไรอยู่ชัดๆตัวนี้เป็นสติแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจเป็นปัญญาและตั้งใจฟังเป็นสมาธิเห็นไหมสติสมาธิปัญญาทางานร่วมกันตลอดเวลาเมื่อสติสมาธิปัญญาร่วมกันนานจนกระทั่งเกิดความคิเทนั้ น, นเรียกว่าญาณปัญญาหรือวิปัสนาญาณเพราะฉะนั้น เราจึงมาเริ่มตัวรู้ตัวนี้ด้วยการทำให้มันมีความแรงความาไวที่สูงคือเราไม่ใช้ลมหายใจเราจะใช้มือแทนลมหายใจไอตอนที่ทำกับเพื่อนเนี่ยทำได้นะแต่แยกไปทำคนเดียวก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะจำไม่ดูอันนี้ต้องต้องทำให้ ม, มันคล่องก็แล้วกันทาเพราะอันนี้คือเครื่องมือไม่ใช่สมถะไม่ใช่วิปัสนาเหมือนโยบจะ ทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ข้าฝากได้ต้องใช้แม้แต่เกียบใช่ไหมจะทานข้าวก็ต้องใช้ช้อนอันนี้ก็เหมือนนั่นแหละเหมือนแต่เกี๊ยวเหมือนช้อนนั่นแหละแต่สิ่งที่มันนําเข้าไปสู่ใจของเราก็คือตัวสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาอาศัยตัวนี้เป็นเป็นตัวนั้นแต่ถ้าโยมทําคล่องจนตัวสติสมาธิมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยโยมจะเหลี้ยวไปที่ไหน มันจะรู้หมดทั้งตัวเลยทีนี้จะก้าวพื้นเะมื่อก่อนเราจะอะไรป้าเอาเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเรามีสติแล้วเริ่มมีการต่อรองอฉันอยากฉันไม่ไปก็ได้อพอหมดอยากฉันก็ค่อยไปเอาถ้าอยากจะเอาอยู่ยังไม่ต้องตามเพราะความอยากมันเป็นอะไรเป็นตัณหาแต่ทำเหมือนกันแต่ด้วยความไม่อยากมันเป็น ปัญญาขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นตัวตัณหาตัวปัญญาเนี่ยมันมาปรับกันอยู่ทั้ น, นมันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้าเราทําตามอยากแล้วสมมุติว่าเราหาเงินด้วยความอยากถ้ามันไม่ได้เงินตามที่เราอยากเป็นไงเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่เราหาเงินตามหน้าที่ทําให้ถูกต้องได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเพราะเราไม่ได้อยากแต่ทําอะไรตามหน้าที่เพราะเรามีหน้าที่ใช่ไหม หน้าที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านหนะ้าที่เป็นผัวเป็นเนมียเป็นครูบาอาจารย์เขาทำตำหน้าที่แต่ว่าไม่ได้อยากแต่ทําดีที่สุดตัวอยากนี่เองที่เราไม่มีความต้องการที่มากเกินไปเขาเรียกว่าศรัทธาคือความพอใจในการที่จะทํานะรักในสิ่งนั้นนั้นเวลาเราทำํำเราก็ทําด้วยความไม่อยากนะถ้าเราอยากจะให้มันรู้อยากให้มันชัดอยากจะให้มันนิ่งอยากให้มันไม่คิดเนี่ยมีปัญหาละเพราะทําด้วย ตันหาคือความอยากทําไปเรื่อยๆทําให้มันสบายๆให้รู้สึกว่าสบายถ้านานๆไปมันรู้สึกปวดลุกเมื่อก็สามารถขยับขยื้อนเปลี่ยนแปลงได้แต่มีความรู้สึกตัวชัดความรู้สึกตัวตัวนี้ก็จะสั่งสมทีนิดเดียวจนกระทั่งมันเข้มแข็งมันก็จะกลายเป็นนามโดยสติสัมผัสปัญญานี่เป็นนามนะมันก็เป็นแต่ถ้าตัวตันหาอวตานนี่เป็นนา ม, มารุคือความอยากมันเป็นนา ม, มารุ ความอยากมันสร้างภาพใช่ไหมแต่ความรู้ตัวมันไม่ได้สร้างภาพไม่ได้สร้างอิมเมจขึ้นมามันรู้เฉยๆนะดังนั้นเมื่อจับตรงนี้ได้ชัดเนี่ยโยมจะไปได้ไวมากเพราะทําอะไรมันก็รู้นี่ใช่แต่ที่แล้วๆมามันไม่รู้คือรู้เหมือนกันแต่พอรู้เป็นสัญชาตญาณเพราะสัญชาตญาณมันจะรับใช้ตัวอยากคือตัญหาแต่ปัญญายานมันจะไม่รับใช้ตัญหาแต่มันจะมีเหตุผลในตัวของมัน เพราะฉะนั้นหลักการนี้ผู้รีเจ้าค้นพบแล้วปรากฏว่าท่านก็มั่นใจท่านก็เล่งทําในขึ้นเดียวทะลุเลยแต่ระยะเวลาหกปีท่านใช้ลมหายใจใช้วิธีการมาตลอดหกปีไม่ไปไหนเพราะอะไรเพราะกําลังของสติไม่พอเมื่อกําลังสติไม่พอจะพัฒนาเป็นสมรยักษก็ไม่พอเมื่อสมรยักษไม่พอจะพัฒนาเป็นสมาธิก็ไม่พอเมื่อสมาธิไม่พอพัฒนาเป็นปัญญาก็ไม่พอแต่พอความรู้สึกตัวมันชัด สักพักหนึ่งยมระลึก home, day, orous, forwards, par, down, ได้ท right mm hmm. ั้งตัวเลยใช่ไหมเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนยอกตรงไหนทําไปเห็นไม่ไม sleeping, ใช่เห็นแต่ม <net> <mind> ือแล้วที่เห็นทั้งตัวเลยรู้สึกทั้งตัวแต่เห็นตรงนี้หมายความว่าสัมผัสเห็นไม่ใช่คิดเห็นนะถ้าคิดเห็นแล้วจินตนาการความรู้สึกตัวพปอย่างนี้ทําให้อันนี้เป็นไม่ได้แล้วเป็นความอยากที่จะรู้แต่ให้รู้เท่าที่มันรู้อย่างสมมุติว่ายมนั่งตรงนี้มานานเนี่อรู้สึกปวดตรงนี้หนักตรงนี้ถ้าเราไม่ไปคิดเนี่ยมันมันก็ไม่ได้หนัก มากเกินไปแต่ถ้าไปคิดเอาว่าโอ้ฉันหนักปวดเมื่อยอะไรแต่คิดขึ้นมามันก็จะอยากล้อยากจะหนีอยากจะไปอยากจะเปลี่ยนอยากจะไปนูนป่นไปนี่เราไปทําความคิดแล้วไม่ได้ทําทําความจริงแต่ความจริงมันเพียงแต่ขยับนิดหน่อยเท่านั้นมันก็บอกแล้วใช่ไหมก็ไม่จําเป็นต้องลูกนี้และเนี่ยความจริงมันแก้ง่ายนิดเดียวแต่ความอยากมันสร้างเรื่องเป็นเรื่องยะยาขึ้นมามันก็จะลืมความจริงทันทีอันนี้เรียกว่าธาตุแท้เริ่อปรากฏ ฉเฉลยตรงที่ผู้ทีเจ้าไปลอยฐานได้แล้วตอนนี้นะจอยกันละธาตุแล้แลเงปรากฏหมายความว่าคนที่จะรู้เรื่องนี้ได้เนี่ยต้องสัมผัสธาตุแท้คือความรู้สึกตัวแท้แท้เนี่ยแล้วความรู้สึกตัวชี้นี้มันจะทวนกระแสความคิดได้แต่ความรู้สึกที่ไม่แท้คือความรู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณมันจะไปตามความคิดท่านก็เรื่องความคิดทวนกระแสความคิดมันเป็นนามธรรมใช่ไหม แต่พอบอกว่าเอาถาดไปลอยน้ําเห็นกระแสน้ําเห็นถาดมันเป็นรูปธรรมเป็นจินตนาการเห็นชัดได้ท่านจึงเอาสิ่งนี้มาสอนเพราะมันเป็นสมมติแต่ในส่วนที่ว่าความคิดเห็นความคิดรู้ความคิดเป็นนมามธรรมมันเป็นปรามัดท่านก็จึงเอาสมมุติมาใช้แทนดังนั้นภาพที่ว่ า, าเจ้าชายทิฐาไปลอยถาดแล้วถาดนั้นเป็นถาดทองคํามันอธิษฐานว่าให้บรรลุธรรมแลทวนกระแสถ้าไม่ได้บรรลุธรรมมัตามกระแสก็หมายความว่า คนไหนก็ตามที่พบธาตุแท้ของตัวเองคนนั้นจะทนกระแสจิตของตัวเองได้คือฝืนใจของตัวเองได้ง่ายแต่คนไหนที่ไม่พบกระแสความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของตัวเองที่เป็นธรรมชาติธาตแท้แล้วมันจะต้องวิ่งตามความรู้สึกที่เป็นอะไรเสมอทันหรือเปล่านี่เนาะเพราะเวลาคงเหลือน้อยต้องสงปีดนะมันจะหมดเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นจะต้องไปตามสัญชตาตญาณเสมอใช่ไหม เพราะนั้นมาณถึงวันนี้เราจะวิ่งตามสัญชตาตญาณต่อไปอีกหรือเมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่มันไม่สัญชตาตญาณมันมีอยู่แล้ว่ะแต่ว่ายังขาดการบ่มเพาะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการทํารู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้เมื่อเราจับหลักการตรงนี้ได้แล้วเราจึงทําได้ทั่วไปนี่หมายความว่าเวลาไปกลับไปบ้านคุณจะไปนั่งสร้างจังหวะยกมืออย่างเนี้ย เดี๋ยวพ่อบ้านมองเห็นหรือแม่บ้านมองเห็นเอ๊คนนี้มันหายไปวันเดียวกลับมามันอาการต่างๆแล้วนี่เดี๋ยวก็จะโดนใส่ว่าเพี้ยนนะยังไม่พร้อมก็อย่าไปโชว์เขาก็แล้วกันนะแอบๆทาในห้องก็ได้นะไปแอบทําในห้องถ้ามันอยากจะทํานะแอบทําในห้องแต่เวลาต่อหน้าบุคคลแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวการเคลื่อนเอาละการสาธิตจบไม่จบก็ต้องจบนะต่อไปนี้จะสาธิตการเดินโยงคลุมทุกคนเปลี่ยนนิยบทนะ ว่าวันนี้เป็นเวลาครึ่งวันน่าจะมากับเมื่อวานนะ <c oughs> สมมุติว่าม่กกี้เราเรานั่งแบบนี้ใช่ไหมดูความรู้สึกที่นั่งแบบนี้ชัดๆก่อนว่ามันหนักหรือมันเบามันสบายหรือไม่สบายทุยกคนบอกว่าไม่สบายใช่ไหมอันไม่สบายทีนี้พอพอเราขยับเอาไวต้ตรงนั้นพอเราขยับปั๊บ เรายกขยับตัวเดียวขยับตัวลุกขึ้นสังเกตเห็นไหมว่าความหนักที่เราทับมันอยู่เมื่อกี้มันยังอยู่ไหมไม่อยู่หายไปใช่ไหมเรารู้ว่ามันหายไปไหนหายไปเพราะเราเปลี่ยนแปลงการตั้งใจรู้แล้วเปลี่ยนไปนี้เป็นกฎของอะไรเันกฎของอ น, นิจจังที่เขาต้องเวียนพอเราเปลี่ยนปับ๊บยังรู้สึกตัว กดของอันนี้จังก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ขึ้นมาเอาที่นี้ยกขึ้ น, นเอามือวางไว้ที่เดิมที่ขาแล้วก็ยกมือเป็นจังหวะพร้อมกันดูและขณะที่ยกมือเราเราสังเกตว่าคนที่ไม่เคยนั่งแบบนี้เนี่ยเมื่อเข่ากดกับพื้นตั้งน้ำหนักของตัวเองที่บนขารู้สึกยังไงสังเกต นั่งแรกๆวินาทีแรกนี่นรู้สึกสบายใช่ไหมนาทีต่อไปความตึงที่ขาก็ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักของเราไปกดทับการหมุนเวียนของเลือดลมที่ผ่านเขา่าแต่เข่าขณะนี้น้ําหนักของเราถูกกดทับใช่ไหมมันเลือดลมตรงที่ผ่านตรงนั้นสะดวกไหมมันก็เกิดให้เกิดความมันจราจรอะรถวิ่งอยู่ดีๆเกิดมันติดตรงนั้นน่ะจราจรมันติด ก, ก็หนักตีแล้วก็งวงหีดแตลดติดสมอนการขามันก็งวงหีดก็คือหนักขึ้นมาเพราะเลือดลมผัดตรงนั้นไม่ได้จําำวนให้ชัดนะบางคนทนได้ แ, แก่ไม่ถึงนาทีก็อยากจะเปลี่ยนแล้ว ừ, เ, เพราะอะไรเพราะร่างกายในส่วนนั้นมันเซนซิทีฟดูมันอ่อนไหวและอ่อนแอทีเราจะเปลี่ยนสมมติเราจะเปลี่ยนก็ต้องเอามือมาไว้ที่ท่าที่หกคือท่าที่เจ็ดที่หน้าท้องบิดตัวกับนิดนึงไปทางซ้าย ยกเท้าขวาขึ้นมาวางบนพื้นโยกลำตัวไปข้างหน้ารู้สึกขั้นตอนแล้วก็ยันเท้าหลังขึ้นความรู้สึกหนักที่เขา่าหายไปแล้วใช่ไหมความรู้สึกบอลเข้ามาแทนที่แต่ถ้าหกเอาต่อไปอันนี้ถ้าที่เกจได้ใช่ไหมแปดต่อไปเลยใจเราอยู่ที่มืออย่างเดียวหรืออยู่ทั้งตัวตอนนี้ ถ้าเราตั้งใจเกินไปมันก็อยู่ที่มือแต่ถ้าตั้งใจสักครึ่งหนึ่งอยู่ที่ลำตัวทั้งหมดครึ่งหนึ่งอยู่ที่มือครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสัมปันธ ญ, ญาได้ทันทีแต่ถ้าเราตั้งที่มืออย่างเดียวมันก็เป็นเพียงแค่สติลองลองลองดับดูว่าขณะที่เรายืนทำนี้ความรู้สึกถึงความเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงทั้งร่างกายนี่เราเห็นชัดไหมรู้สึกชัดไหมชัด แต่ถ้าหากว่าความรู้สึกตัวที่เห็นชัดในกายในมือของเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่วอกแวกวันไหวไปคิดเรื่องอื่นปั๊บตรงนี้ก็เปลี่ยนสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่ขนะอยู่ปัจจุบันว่ายกช้ายกเรยวรู้ยกหนักยกเบารู้ถ้ามันตึงก็ผ่อนคลายนี่แหละให้ใช้สบาย สมมตเิเรายืนไม่กี้ขึ้นมาลูกขึ้นมายืนใหม่ๆเนี่ยเบาจากนาทีนี้ไปมันก็จะเริ่มเป็นไงก็หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกดของอันนี้จังที่เราเหยียบมันอยู่ใช่ไหมเลือดลมที่เคยหมุนเวียนไปตามฝ่าเท้าอย่าง ส, ยสบยๆตัวนี้เราเหยียบมันไว้ความน้ําหนักของเรามันก็จะไปกดตรงนั้นเมื่อมัน เรื่อลมไหลเวียนไม่สะดวกมันก็ส่งผลให้ข้อแข้งข้อขาเป็นไงเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือผลอันนี้จังมันทางานของมันตลอดเวลาแต่เราเคยสังเกตมันไหมการทํางานของพวกนี้ไม่เคยเพราะเราอยู่กับสัรชาติยานมาตลอดแต่หน้าวันนี้เราลองมาอยู่ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่จะเป็นปนิพพานาญาณได้ซึ่งง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องลึกลับสูงสงอะไรเป็นเรื่องที่เรืสัมผัสได้คําสอนผู้ที่เจ้านี่ แต่เนื่องจากว่าคนไม่รู้ไม่เข้าใจชัดแจ้งแล้วเนี่ยมันก็จะว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่พอเรายกมือนี้นเพลินไปที่เราไม่ใส่ใจเต็มที่มือนี้ชักเป็นยังไงเร็วขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลืมจังหวะนั่นแสดงว่าตรงนี้ไม่ ช, ชัดก็กลับมาให้ชัดใหม่เอาละทีนี้สมมุติว่าเราหนักขาเต็มที่แล้วเนี่ยสําหรับบางคนนะเราก้าวเท้าไปข้างหน้านึ่งก้าให้รู้สึกตัวว่าเราก้าว โยกตัวไปข้างหน้าบาลาน้ำหนักแล้วก็ย่อนเท้าเอาหลังลงแล้วกลับมาที่นั่งชันเขา่าความรู้สึกว่าหนักในการยืนก็หายไปนี่คือการตั้งใจรู้ในสิ่งที่เราทำมันก็จะเป็นสติสัมปชัญญะและปัญญาพร้อมกันทันที เดี๋ยวช่วยเคลียร์เอากระเป๋าที่อยู่ช่องทางขึ้ น, นไว้ในระหว่างกลางเพราะเราจะใช้ตรงนี้เป็นทางสาธิตการเดินจงกลมเอาไว้ไวช่องระหว่างซีดระหว่างที่นั่งของเราเนะพราะเราจะเดินไปทางนี้นะเห็นการยืนกับเดินกับ น, นั่ง อ, อีกทีนึงวิธีการเอามือทั้งสองมาไว้ที่หน้าท้อง ิีตัวไปทางซ้ายนิดหนึ่งยกฝ่าเท้าขวาขึ้นเหยียบพื้นโยกลำตัวไปทางขวานิดนึงแล้วก็ยันเท้าหลังขึ้นนี่จะพาเดินจงกรมนะเมื่ี้เราสาธิตการสร้างจังหวะไปแล้วอทีนี้ขยับมาคาคนั้นขยับมาช่องนี้พอดีกันไหมให้ถูกช่องนะคุณมาช่องนี้ ขยับไปทางนั้นโอเคเสร็จแล้วก็หันหน้ากลับไปทางนู้นหน้ากลับไปหันหน้ากลับไ ป, น, น, บไปนู้นอ่าเสร็จแล้วก็เดินไปเดินว่าการยืนหรืการเดินรู้สึกเดินบบสบายๆเดินแบบเดินในบ้านแล้วนี่แหละคนที่อยู่ด้านหลังก็ออกมาเดินข้างหน้านี้ก็ได้เดินตรงนั้นลำบาก ฝ่าเท้าเป็นไงบ้างอยู่ด้วยฝ่าเท้าเวลายกเบาเวลาเยียบหนักเวลายกเย็นเวลาเหยียบอุ่นเนี่ยให้รู้ชัดๆตรงนั้นงาไปดูตัวนั้นแล้วก็ยืนตรงยืนตรงแค่นั้นนะยืนตรงแล้วก็ค่อยหมุนตัวกลับค่อยหมุนตัวกลับทีนิดเสร็จแล้วก้าวรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่เหยียบหนักเบา รู้สึกท่อนแข้งท้องขาที่ก้าให้ชัดๆโดยสัมผัสตรงๆเด็ดขึ้นมา ย, ายืนตรงก่อนสําหรับแถวหลังก็เดินมาเรื่อยๆแถวหลังเดินขึ้นมาแถวหน้ายืนตรงนิดนึงเรายืนตรงเวลาหมุนตัวกลับดูด้วยเรหมุนซ้ายหรือขวาให้รู้สึกว่าเออสมมติเราหมุนขวา กลับขวาให้รู้สึกว่าเท้าหมุนนี้การเดินมีสองระบบนะระบบไปข้างหน้าท่านใช้ว่าอภิ ก, กันเตระบบอีกระบบคือถอยหลังเรียกวปฏิ ก, กันเต น, นะอภิ ก, กันเตปฏิ ก, กันเตสัมปชัการีเดีมีความรู้สึกตัวพร้อมๆในการก้าวไปข้างหน้าว่าก้าวไปไง ทีนี้ต่อไปเราจะเดินก้าวข้างหลังเมื่อกี้เราหันกลับหลังเฉยๆนะไม่ใช่ก้าวข้างหลังตอนนี้เราจะก้าวข้างหลังคือสืบเท้าถอยไปแถวหลังก็ถอยต่อไปอิระบบที่สองพอเราเดินไปข้างหน้านานๆมันาม อ, อาจจะเคยชินจิตมันก็จะไม่รวมละแต่พอเดินถอยหลังแั๊บจิตมันก็จะเกิดการ aware เ, เกิดการระมัดระวังขึ้นมาก็สติก็กลับชัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเดินไปข้างหน้า หมดเดียวนา น, น, านมันก็จะเพลินเพลินไปคิดแต่รู้สึกเออเริ่มจิตมันเริ่มออกแล้วนะแล้วก็เริ่มมาเดินถอยหลังเดินถอยหลังจิตมันตื่นก็กลับเข้ามาเราททำที่บ้านของเราก็ทำนี่แหละรู้สึกชัดถึงการก้าวการสืบเท้าก้าวหลังไปจะมีความกลัวว่าจะไปชนอะไรแล้วก็ไม่กล้าก้าว มันก็ความเป็นความคิดแล้วก็พยายามเมื่อกี้ถอยไปถึงไหนเราเดินไปถึงไหนก็ถอยไปถึงนั่นแหละามาตรงนี้ก็ข้าขประจําที่ยืนยืนตรงที่นะยังไม่ต้องนั่งนะยืนดูก่อนนะดูว่าจะนั่งเป็นไหมวิธีพอสมมติเรายืนเราจะนั่งอย่างนี้นะนั่งอย่างไรนั่งสันชัตยานนั่งแบบไหนนั่งแบบเ ป, เป็นสติถ้านั่งสัานาพอหนึ่งป๊อแล้วก็ ป๊อปลงไปเลยใช่ไหมเราก็ได้นั่งนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตัวสติแต่ทีนี้ในการปฏิบัติเราก็ตัวประโยชน์จากการเปลี่ยนอิบอดก็ได้และตัวรู้ในการเปลี่ยนก็ได้วิธีการก็คือพอยืนป๊อเราเก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวโยกลำตัวมาขวานิดหน่อยแล้วก็ลดขขวาลงอย่างรู้สึกตัวแล้วก็ลดขาซ้ายอย่างรู้สึกตัว เมื่ีเรานั่งชันเขาตัวนี้เมืนั่งคู่เขา่านั่งแบบเทพนุ่มที่พอนั่งพอนั่งท่า น, นี้เนี่ยสังเกตไหมว่าจุดที่เรารู้สึกได้ง่ายที่สุดจุดไหนหนึ่งปลายเท้าสองเข่าสามสะโพกสี่หลังแล้วแต่ใครมีจุดจุดอ่อนไหวจุดเชิงเสถียตรงไหนก็จะปวดตรงนั้นก่อนนะทีนี้เราก็ดูว่า ถ้านี้น้ำหนักเราลงที่เขาที่ปลายส้นที่ตะโภกมันก็จะไปบล็อกการไหลเวียนของเลือดลงตรงนั้นนี่เวลาเราเปลี่ยนเราก็ยกตัวให้รู้สึกว่าเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนปลายเท้าออกไปแล้วก็นั่งทับ้นเราก็จะเห็นว่าจุดนั้นมันเปลี่ยนไปการสังเกตความรู้สึกความหนักความเบาการเปลี่ยนแปลง ในร่างกายของเราตามหลักของสติปัฏฐานมีสี่อย่างคือหนึ่งสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของกายภาพตาอ้าปากหายใจเลี้ยวซ้ายไหลขวาก้มเงยหยิบหยับจั บ, บฉวยต่างๆนี้เป็นตัวให้รู้เท่าทันนี่ก่อนสําหรับคนใหม่ให้รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดๆัดนี่ก่อนแต่พอรู้ไปตรงนี้ชัดเ ข, านานานเข้านานเข้านานเข้า <c oughs> สติละเอียดเข้าเอียดเข้ า, ขามันจะไปรู้ถึงความหนักความเบาในในกาย ซึ่งความรู้สึกที่เคลื่อนไหวที่เป็นหนักเป็นเบาเรามองไม่เห็นเราจะเห็นเป็นอาการตัวนี้เขาเรียกว่าเวทนามีคนรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงในขณะนี้ใครร้อนเท่าไหร่หนาวเท่าไหร่เรามองไม่เห็นใครเย็นเท่าไหร่ใครอุ่นเท่าไหร่เรามองไม่เห็นแต่ว่าใครพับตาพอมองเห็นได้ใช่ไหมอาปากมองเห็นหายใจมองเห็นไหมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยการสังเกตของเราก็จะใช้สติสังเกตมันก็จะคนไหนสังเกตได้ละเอียดขึ้นสติก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น มันอเรื่องขอเราตำโขลกน้ำพริกอะ่ะคนไหนโขลกได้มากขึ้นได้มันก็พริกก็ละเอียดไปเรื่อยๆถ้าคนไหนโขลกไม่ละเอียดเอาไปแกงแล้วเป็นอย่างนี้อร่อยไหมไม่อร่อยเพราะว่ารสพริกรสแกงรสขิงขาตะไคร้ใบกระเพร า, าไม่ออกมาครบมันก็มาเหมือนกันพอความกลมกลืนของทุกอย่างมันไม่เข้ากันเหมือนสติสมาธิปัญญาถ้าเราคอยทําบ่อยเข้าเบื่อเข้าเห <c oughs> มือนก็การโขลกน้ำพริกมันก็จะเข้ากันพอเข้ากันแล้ว ความพอดิบพอดีของสติสมรยบปัญญาก็จะทำงานเมื่อมันทางานแล้วตัวไหนที่มันขาดความรู้สึกไหนที่มันหนักเราก็จะแก้ไขออกไปความรู้สึกไหนที่มันเบาเราก็จะปรับให้สูงขึ้นไอการบาลานซ์ความหนักความเบาความสุขความทุกข์ความสบายไม่สบายในส่วนที่กายเป็นนี้เราเรียกว่ากายานุปัสนาตามภาษาของเขานะแล้วที่พอทาไปนานเข้านานเข้าก็จะไปเห็นความ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึเจ็บปวดภายในกายเข้มรู้ละเอียดก็รู้รู้ไวชัดเข้าชัดเข้าก็เห็นในส่วนที่สองคือเวทนาแต่ทั้งสองอย่างเนี้ย ส, สามารถเห็นพร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าความถี่และความเร็วของสติปัญญของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันคนที่มีความถี่สูงก็จะเห็นชัดทั้งหมดเปรียบได้เหมือนเรื่องความถี่ของหลอดไฟ ถ้าอดไฟนี่ความถี่ต่ำาสมมติว่า 1,000 พแรงเทีย 1, 000, น 1,000 วน・ต่นวิ่ง1 0 0่งพรอบต่อหนึ่งวิเงี้ยแสงไฟก็จะ1แรงเทียนพอไป2 0 0พรอบต่อวิก็2งแรงเทียนสูงขึ้นไฟก็สว่างขึ้นเรื่อยๆนั้นความเร็วของสติที่เราซักซ้อมอย่นี้คือความเร็วของสติสมัมภยะเมื่อความเร็วมันสูงมันก็จะไปเห็นความรู้สึกภายในกายนี่ชัดขึ้น เรื่อยๆชัดขึ้นในระดับกายระดับเวทนาเ <c oughs> มื่อต่อไปเวทนาตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมตอ่อเห็นความรู้สึกความสบายไม่สบายความสบายทางกายไม่สบายทางกายมีผลต่อจิตเมื่อความไม่สบายหนักเข้าเนี่ยจิตมันก็คิดว่าฉันจะออกจากความไม่สบายนี้อย่างไรมันก็เริ่มทํางานจิตก็เริ่มทํางานความคิดปรากฏสติที่เราฝึกมาทางกายเวทนาชื่อแล้วมันก็จะเห็นภาวะละของความคิดตัวเองว่าขณะนี้เราคิดเราไม่คิด ลักษณะที่เราเห็นนั่นก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นที่3ต่อไปมันคิดแล้วมันออกมาเป็นอะไรเป็นความพอใจไม่พอใจความชอบไม่ชอบความรักความชังความโลภความโกรธออกมาเป็นเรื่องเป็นราวก็ไปเห็นอารมณ์เพราะฉะนั้นแสงสว่างของสติสัญญาที่เราฝึกมันก็จะเห็นฉายลึกไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นอยู่กับว่าศรัทธาและความเพียรของใครที่เข้มแข็งกว่ากันเท่านั้นเองอย่างเหมือนเราตำน้ำพลิกบางคนก็โกรธ พอดีพอร้ายก็ทานได้แล้วบางคนก็โขรกขละเอียดบางคนก็จะบดเข้าไปอีกอาหารก็จะปะนิดกันขึ้นไปดังนั้นอันนี้คือหลักการง่ายๆชัดๆไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนนะอันนี้คือวิธีการที่สาธิตมาเบื้งองต้นที่การเดินจงกรมและการสร้างจังหวะถ้าหากว่าเข้าใจได้แค่นี้เอาไปทำก็ถือว่าเห็นทำได้แล้วเห็นตัวเองเห็นทเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นสบายม่สบายแก้ไขตัวเองได้ นะแล้วความคิดอะไรต่างๆถ้าเราฝึกกายฝึกใจให้รู้สึกตัวไปแล้วความคิดมันก็จะลดลงเองความคิดที่มันสับส น, นวุ่นวายตัวหลักของเราต้องการจัดการกับความคิดแหละแต่เราจําเป็นจะต้องมีสนาม ง, งานที่ฝึกกับกายให้ได้เมื่อเราฝึกกายเกิดทักษะเกิดความเชื่อใจในกายปับ๊บการไปรู้ความคิดก็ง่ายขึ้นถ้าเราไปจัดการความคิดเลยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกเครื่องบินอะ่ะมันจะลอดลงที่ไหนก็ได้นี่มันเป็นไปได้ไหม ไม่ได้มันต้องมีสนามใช่ไหมอ่กากัวจะสร้างสนามบินเสร็จเนะี่ยน้องงูเห่านะี่เออไม่ใช่นองสุวรรณภูมิเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหรนะ่นี่วอ่าเหมือนกันกลัวเราจะมาสร้างความรู้สึกตัวให้เข้มแข็งชัดเจนที่เครื่องบินมันจะลงได้คือความคิดแต่ละครั้งมันเหมือนเครื่องบินเครื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วแต่ลมไหนมันจะหนักจะเบาบางเรื่องก็หนักใช่ไหมลงไปปุ๊บนี่เรามโมโหเลยแหละอ่าหนักเกินไป นั่นหมายความว่าฐานบินมันชุกซุดหมายควารูปนําของเราความรู้สึกตัวทางรูปนําไม่ไม่เข้มแข็งพอพอความคิดเกิดขึ้นเราเข้าไปในความคิดเลยเข้าไปคิดกับมันเลยนั้นแสดงว่าเร า, าฐานความรู้สึกตัวเราไม่ดีเพราะฉะนั้นความคิดเกิดขึ้นแล้วนี่มันคิดแล้วเนี่ยเราก็จับความรู้สึกตัวให้ชัดพอความรู้สึกตัวชัดความคิดที่มากระทบปั๊บมันก็ไม่ขยายตัวนะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ที่เป็นสติ สัมพัชยะมันมีกำลังกว่าแต่ความรู้ที่เป็นสันทัจยานมันน้อยกว่าความรู้ที่เป็นสันชาตยานนี้เปรียบเสมือนความมืดความรู้ที่เป็นสติปัญญาที่เราฝึกขึ้นเปรียบเสมือนแสงสว่างถ้าแสงสว่างมีมากกว่าความมืดมีจํานวนน้อยมันก็ไม่มีผลแต่แสงสว่างมันเฟดลงดับลงหรือมันน้อยลงเรื่อยๆตัวความมืดก็เข้ามายึดพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นวันวันหนึ่งก็จะมีความรู้กับความคิดคนส่วนใหญ่ใช้ความคิดหรือความรู้ใช้ความคิดและความคิดที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจความคิดมีอยู่สามประเภทหนึ่งความคิดที่เราตั้งใจคิดเรียกว่าสติปัญญาสองความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเรียกว่ากิเลสสาความคิดที่ไม่ใช่ความคิดเช่นตาเห็นก็คิดหน่อยหูได้ยินก็คิดหน่อยหนึ่งกระจก าลิ้นได้ลึกจมูกดมกลิ่นลิ้นได้ลดกายสัมผัสจิตรู้พอคิดอย่างไรเนี่ยก็จบไปลักษณะนั้นเรามาเรียกว่าความคิดเราเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นชื่อของเขาอะนะเรียกว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์นั่นเองเ่ยเป็นอารมณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่อารมณ์ตัวนี้ถ้าเราขาสติสมยักษเข้าไปตามรู้แล้วมันก็จะแปลงมาเป็นตัวคิดที่เรียกว่าความปรุงแต่งหรือสังขารอันนี้เป็นเรื่องละเอียดลงไปนะเพราะฉะนั้น เวลาในการสาธิตหมดแล้วช่วงนี้เป็นเวลาที่จะต้องถามปัญหานะอะไรที่ข้อสงสัยที่หลวงพ่อว่ามาทั้งหมดเกือบชั่วโมงเนี่ยมีตรงไหนบ้างหัดค้องสงสัยไม่แน่ใจเอาไปทำแล้วมันจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ได้เวลาที่จะถามขขอเชิญเชือนพนคนไหนมีข้อสงสัย